ข้อความในอัตถกถาปฐมโพธิสูตรหน้ายี่สิบเจ็ดซ้ําทวนอีกนิดหน่อยในกลางๆหน้าที่กล่าวว่าพระเถระเมื่อจะกล่าวถึงคําที่แสดงโยนิโสมนัสิการว่าไอวังที่แปลว่าอย่างนี้เนี่ยนะอย่างนี้เนี่ยหมายถึงโยนิโสมนัสิกานวิธีโยนิโสมนัสิการที่กล่าวก็คือ ธรรมะเหล่านี้เราเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิแปลว่าใจของท่านเนี่ยได้โคจรท่องเที่ยวไปในพุทธพจน์ทุกๆคําแล้วความเข้าใจในพระพุทธพจน์เหล่านั้นก็เป็นไปอย่างดีจึงอยู่ปริยัติธรรมเราเพ่งด้วยใจโดยในมีอาทิคือโดยในเป็นต้นว่าเศนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้ คือเห็นเลยว่าพุทธพจน์บทนี้หมายถึงศีลสมาธิตรัสไว้ตรงนี้ปัญญาตรัสไว้ตรงนี้อนุสวธีในที่นี้มีประมาณเท่านี้แสดงว่าเข้าใจพุทธพจน์ทุกทั้งหมดเลยบทนี้หมายถึงศีลบทนี้สมถะบทนี้วิปัสสนาบทนี้เป็นวิมุตตบทนี้นิพพานอะไรเขาจะทุกคำเนี่ยมองเห็นหมดเลยแล้วก็แต่ละบทนี้มันเชื่อมต่อกันอย่างไร ท่านเขาฟังธรรมเนี่ยนะอย่างเดี๋ยวเราเรียนต่อไปข้างหน้าจะเห็นว่าแต่ละคำเนี่ยหมายถึงอริยสัจข้อใดเนี่ยนะบทนี้หมายถึงทุกขสัจบทนี้หมายถึงสมุทยัยสัจบทนี้หมายถึงนิโรสัจจะบทนี้มรรคสัจจะบทนี้มักที่เป็นศีลเป็นสมาธิหรือเป็นวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะเขจะมีการชี้แจงในนั้นท่านคนที่เพ่งด้วยดีด้วยใจเนี่ยนะตามคิดใครครวนมากจะเห็นอริยสัจ เห็นศีลสมถาวิปัสนาแล้วก็เห็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงต่อกันได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็ยังกำหนดแทงตลอดด้วยดีซึ่งรูปธรรมและรูปธรรมเนี่ยนะรูปธรรมตรงนี้เรียกว่าขันเรียกวธาตเรียกอายตนะหรือเรียกว่าเป็นอินทรีหรือเป็นปฏิจสมสมบาทเนี่ยนะดังนี้รูปรูปมีประมาณนะนะรูปมีดังนี้รูปมีประมาณเท่านี้ถ้าประโยคที่เต็มก็บอกว่า นี้รูปนะรูปเนียมีเท่านี้ไม่เกินไปกว่านี้นี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับไปแห่งรูปถ้าเป็นนามธรรมล่ะนามธรรมก็คืออรูปแต่กก็คือนี้เวทนาดังนี้เหตุเกิดแห่งเวทนาดังนี้ความดับไปแห่งเวทนาดังนี้ความเอ่อความเกิดขึ้นแห่งเวทนาดังนี้ความดับไปแห่งเวทนาดังนี้สัญญาดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญา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 ทุกขสัจจะความเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสมุทัยสัจจะความดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณเป็นนิโรสัจจะนี่นะข้อปฏิบัติที่ไปเห็นดังนี้เป็นมรคสัจจะอันผู้ที่มีการไข่ครวนมากๆด้วยด้วยทิฏฐิทิฏฐิคือในที่นี้เป็นชื่อของสัมมาทิฏฐินะเป็นชื่อของปัญญาที่เป็นสุตมยะปัญญาเป็นต้น อันประกอบด้วยการตรึกตามอาการที่ได้ฟังมานนะฟังฟังพุทธพจน์อ่ะ น, นะอันเป็นการทนต่อการเพ่งคำหรือกล่าวคือยาตะปริญญาการไข้ครวนแล้วก็ใไข้ครวนคําสอนเหล่านี้ในชีวิตที่เป็นจริงนี่แหละคือทำยาตะปริญญานะการกระทําอย่างนี้ย่อมนํามาซึ่งหิตะหิตะนี้แปลว่าเกื้อกูลนํามาซึ่งความสุขแก่ตนและคนอื่น เพราะว่าผู้ที่ไข้ครวรธรรมะเนี่ยนะแล้วก็ถ้าทรงจาด้วยแล้วก็คิดทุกคาทุกคาที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยเขามีความสุขนะมีความสุขมากานะเกิดปีติเกิดปราโมทและถ้าเพ่งอย่างนี้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งก็สามารถที่จะเอามาบอกเล่าให้ผู้อื่นฟังด้วยใช้ศัพท์ที่ง่ายๆเข้าใจไม่ยากนะนะท้าทถร ะ, ถระเมื่อจะกล่าวคำอันแสดงถึงการประกอบในการฟังว่า สุดตังดังนี้จึงแสดงว่าธรรมะเป็นอันมากเราได้ฟังแล้วทรงจําไว้แล้วคล่องปากแล้วจึงอยู่การฟังการทรงจําและการสะสมพระปริยัติธรรมเนื่องด้วยการเงี่ยโสตสดับนะนะเพราะเงี่ยโสดสดับจึงจะสามารถทรงจําเอาไว้ได้สมัยนี้เราเอาไปท่องไว้เลยบา ง, บางแห่งนี้กล่าวไว้เลยว่าผู้ที่ทรงจําปริยัตเนี่ยนะที่ไม่พ้นทุกข์ไม่มีหรอก เว้นไว้แต่เอาไปทําการค้าซะก็เลยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ลักษณะทรงจำนะแต่หมายคําว่าถ้าทรงจําตั้งอัตตะสัมมาปณิธิที่จะปฏิบัติเนี่ยนะเห็นวันนี้ศีลนี้สมถะนี้วิปั ส, สนาตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคําสอนเหล่านั้นที่ไม่พ้นทุกข์ไม่มีรอกแต่ที่ที่ถึงความทุกข์อ่ะ น, นั่นหมายถึงว่าเอาไปทําการค้าเอาไปไว้ซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเป็ น, ปนคือหมายคําว่า เอาสิ่งที่เพื่อความพ้นทุกมาแลกมหาพูดเนี่ยนะถ้ายางงี้ก็อาจจะเฝ้ามหาพูดนั่นแหละด้วยบททั้งสองนั้นพระเถระเมื่อแสดงความบริบูรณ์แห่งอัฏฐะและพยัญชนะโดยความเป็นธรรมะที่พระองค์ตรัส ด, ดีแล้วสวะคาโตภะควตาธรรมโมเนี่ยนะชื่อว่าให้เกิดความเอื้อเฟื้อในการฟังนะจะได้ตั้งตั้งใจฟังด้วยความเอื้อเฟือ้อ เอื้อเฟื้อก็คือตั้งใจที่จะฟังใช่ไหมถ้าไม่เอื้อเฟื้อเป็นยังไง น, นั่นะนั่งสลึมสลือฟังอย่างนี้นั่งฟังไปคิดเรื่องอื่นไปอย่างเงี้ยนะจริงอยู่คนที่ไม่ได้ฟังธรรมะที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะโดยเอื้อเฟื้อย่อมเป็นผู้เหินห่างจากประโยชน์อันยิ่งใหญ่หมายครับว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังคําสอนที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะปฏิบัติตามถูก พอสับสนตั้งแต่ บ, บทและพยัญชนะแล้วใช่ไหมเมื่อฟังแล้วสับสนไม่เข้าใจชัดเจนแล้วจะไปปฏิบัติว่าอย่างไงปฏิบัติศีลเป็นอย่างไรปฏิบัติสมถาวิปัสสนาให้เป็นอะไรปฏิบัติแล้วบรรลุอะไรแทงตลอดอะไรมันจะเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างไรมันผู้ที่ได้ฟังคําสอนที่สมบูรณ์ด้วยอัถฐและพยัญชนะเนี่ยนะฟังจนครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะเกิดศรัทธา ใครที่ฟังคําสอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะอย่างไรก็ต้องมีศรัทธาแน่นอนปัญหาว่าขอให้ฟังได้อย่างครบถ้วนเนื้อหาอย่างครอบคลุมที่สุดเนี่ยนะถ้าฟังเนื้อหาที่ครอบคลุมที่สุดสัทธินีจักมีกําลังมากเห็นความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเห็นว่าเนี่ยเป็นธรรมที่ดีจริงๆเพราะธรรมนี้นําผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ได้และก็มีพยานที่เขาตรัสรู้ได้ด้วยคือ พระอริยะทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในนี้ท่านก็ปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ตามจริงแล้วเราก็จะมีศรัทธาตามนั้นอ่ะเมื่อมีศรัทธามีกําลังมากขึ้นสัตทินรี่จะต่อด้วยอะไรอินสี่มีห้าใช่ไหมก็จะทําเจริญวิริยินสี่เนี่ยนะเจริญสัมมาประธานสีอ่าสัมมาประธานสี่การเจริญสัมมาประธานนี่เจริญอะไรเจริญให้เป็นอะไรก็เจริญให้สตินี่เกิดขึ้น สตินเซน ะ, จะเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาจิตตาธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน <c oughs> คนที่จเจริญสติปัฏฐานถูกต้องจริงๆเนี่ยจิตจะตั้งมั่นนะไม่ใช่ยิ่งจเจริญยิ่งฟุ้งยิ่งจเจริญจิตย่อมตั้งมั่นเพราะกายานุปัสนาถ้าจเจริญถูกต้องเนี่ยได้ฌานนั่นเกายานุปัสนาเนี่ยถ้าเจริญถูกต้องเนี่ยได้ฌานวิปัสนาที่มีกําลังเน้นำมาซึ่งสมาธินั่นเอ เพราะก็กลายเป็นบุคคลที่มีสมรรถานาหน้าในการเจริญกรรมฐานหรือมีวิปัสสนานําหน้าผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นอย่างไรเสียก็ต้องแทงตลอดอริยสัจแทงตลอดอคำว่าอริยสัจเน้นที่นิโรธสัจจะเมื่อเห็นนิโรธสัจจะจึงชื่อว่าแทงตลอดอริยสัจถ้ายังไม่เห็นนิโรธสัจจะคือพระนิพพานก็ชื่อว่ายังไม่เห็นอริยสัจเพราะฉะนั้นเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็ถือว่าเห็น ธรรมดายังไม่เห็นสัจจะเพราะยังไม่เห็นความดับความแก่และความตายต่อเมื่อเห็นว่าชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธตัวสำคัญหลักที่สุดคือชรามรณะนิโรธจึงเรียกว่าเห็นอริยสัจเนี่ยเสียพรก็พยัญชนะตรงนี้น่ากําหนดจดจำเอาไว้นะที่ว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะโดยเอือ้อเฟื้อ ย่อมเป็นผู้เหินห่างจากประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็คือเหินห่างจากพระนิพพานแน่นอนถ้าหากว่าคําสอนไม่จําเป็นจะต้องสมบูรณ์ด้วยอัถฐและพยัญชนะเนี่ยนะพระปัจเจกท่านก็สอนได้เนี่ยนะคนทั่วๆไปก็น่าจะสอนได้แต่ไม่จะต้องอาศัยทั้งอัถฐและพยัญชนะคนที่จะบัญญัติพยัญชนะได้คือพระพุทธเจ้า ที่จะบัญญัติพยัญชนะให้ครอบคลุมพระธรรมได้ถูกต้องจริงๆคือพระพุทธเจ้าและสมุดฐานที่จะทําให้บัญญัติธรรมวินัยได้ครอบคลุมนั้นก็คืออสสาธารณียานหเวสารชยานสี่ทศพลยานสิบเป็นต้นคุณธรรมเหล่านั้นนี่แหละที่จะทําให้บัญญัติธรรมวินัยได้มันก็จากข้อความ ที่อัตกถาอธิบายคําว่าเอวเมสุทังเอวเมสุตังก็คงพอมีศรัทธาตามสมควร <c oughs> ทีนี้มาดูนะเอกังสมยังพักวาก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพักวาเลยนะในหน้า37ลองดูนะที่พควาแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า <c oughs> ในย่อหน้าตรงกลางบอกว่าบทว่าพักวานี้เป็นคําบ่งถึงครู เพราะว่าพัควาพัควันเนี่ยหมายถึงเขาพูดถึงคนที่เคารพที่เขาเคารพที่สุดจริงอยู่ชาวโลกเรียกครูว่าพัควาก็พระผู้มีพระภาคเจ้านี้เป็นครูของสรรพสัตว์เพราะเป็นผู้วิเศษโดยคุณทั้งปวงคำว่าครูในที่นี้เนี่ยแปลว่าผู้ชี้แนะผู้แนะนำประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งแนะนาประโยชน์ตนแนะนาประโยชน์ อ่นแนะนาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแนะนําประโยชน์ที่ลึกแนะนําประโยชน์ที่กว้างขวางแนะนาประโยะประโยชน์ที่ปกปิดเอาไว้กิจของครูของพระพุทธเจ้าก็แนะนาประโยชน์เหล่านี้โดยประการทั้งปวงโบราณอาจารย์ทั้งหลายโบราณอาจารย์นี่หมายถึงพระอาหารหันต์สมัยพ ร, พระอาหารหันต์เนี่ยนะสมัยก่อนพศ900เนี่ยท่านกล่าวเป็น ประพันธ์คถาว่าพักวาติวจนังเศธถังพักวาติวจะนะมุตตมังเป็นต้นเนี่ยคำว่าพักวาเนี่ยนะพัวาติวัจนังเศธถังเศธถังตัวนั้นแปลว่าพักวาเนี่ยเป็นคําที่ประเสริฐที่สุดอย่างเช่นถ้าเศษถะตัวนี้เช่เนน่ะเศษถาก็คือผู้ที่เป็นพี่ที่สุดอ่ะเป็นคนที่โตที่สุดอ่ะเป็นลูกคนโตเป็นต้นพระพุทธเจ้าถือว่าท่านประเสริฐที่สุดโตที่สุดใน โมสัตในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เป็นต้นพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดคําว่าพระขวานี้เป็นคําที่สูงสุดพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ควรแก่ความเคารพโดยฐานะเป็นครูเพราะฉะนั้นพระองค์บัณฑิตจึงเฉลิมคือขนานนามเรียกพระองค์ว่าพระขวานหนึ่งคำที่ประเสริฐที่สุดสองคำที่ สูงสุดนะนะวจนะมุตตะมังเนี่ยนะวจนะบวกอุตมะอุตมะก็คือสูงสุดแล้วในบรรดาคนที่มีถ้อยคําที่สูงที่สุดแล้วท่านดำรงอยู่ในฐานะแห่งความเป็นครูคำว่าประเสริฐสุดท่านกล่าวว่าเศรษฐะเพราะเพียรพร้อมด้วยพระคุณอันประเสริฐคนที่จับสูงที่สุดจะต้องมีคุณที่ประเสริฐที่สุดคุณในท่นี้หมายถึงคุณอะไรอรหันตคุณสัมมาสัมพุทธคุณ วิชาจารณะคุณ ส, สุขโตคือไปดีนะสิ่งเหล่านี้เป็นพุทธคุณพุทธคุณเก้าพุทธคุณสามพุทธคุณเก้าหรือว่าอย่างที่เราสรนเสริญสาธยายกันเนี่ยนะพุทธานุสติเป็นต้นพระองค์นี่มีคุณธรรมเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งอัฏฐเชื่อว่าวาจะนะเพราะอันเขากล่าวบทว่าพักวาติวจนังเศธถัง ความว่าอัฏถะที่ควรกล่าวด้วยคำ ว, ว่าพระขวานี้เป็นอัฏถประเสริฐอมความเนื้อหาที่ดีจริงๆบทว่าคารวะยุตโตได้แก่เชื่อว่าประกอบด้วยความเป็นครูเพราะประกอบด้วยคุณฐานะครูหมายก็ว่าเหตุที่ที่ทฐานะตรง น, นี้แปลว่าเหตุครูเนี่ยนะท่านเป็นคุณธรรมมีคุณสมบัติของความเป็นครู หรือชื่อว่าประกอบด้วยความเคารพเพราะมีพระกรุณาเป็นครูวิเศษเป็นครูพิเศษเนื่องจากคนที่มีคุณสมบัติของความเป็นครูจริงๆเนี่ยคือคนที่มีกรุณาเห็นว่าผู้อื่นนั้นเขามีความทุกข์นะทำไงเขาจึงจะพ้นไปจากทุกขได้นะประสงค์ที่จะบำบัดทุกข์ให้แก่เขาโดยประการทั้งปวงคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้เรียกว่าครูได้ คือเห็นว่าถ้าเขาไม่รู้สิ่งนี้เขาเดือดร้อนแน่เขาลําบากแน่เขาทุกข์แน่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์เห็นว่าหมูสัตฯเนี่ยนะไม่ตรัสรู้อริยสัตว์นี่แหละจึงต้องท่องเที่ยวเวียนไหว้ไปในวะะัดตาพบแล้วพบเล่ากระดูกกองโตเท่าภูเขาเป็นต้นน้ําตา ม, มากกว่าน้ําทะเลเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยมีกรุณาต้องการให้เขาพ้นจากทุกข์เหล่านั้นน่ะกรุณาตัวนี้กระตุ้นเตือนให้พระองค์นี้แสดงธรรม เนื่องจากพระองค์มีคุณสมบัติคือความการุณาและมีปัญญาที่จะแนะนำคนอื่นได้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นพักวาเพราะคําคำว่าพควานี้เป็นชื่อของผู้วิเศษด้วยคุณผู้สูงสุดกว่าสัตว์และก็ผู้ควรเคารพโดยฐานะเป็นครูคเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งครูัางงนฐานะตัวนี้แปลว่าตาแหน่งก็ได้อยู่แต่ตาแหน่งของครูของโลกพร้อมทั้งเทวโลก เขาก็มีนิเทศจำแนกอย่างอื่นอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบัณฑิตเฉลิมคือเรียกขานพระนามว่าพระวาเพราะเป็นผู้มีโชคเนี่ยนะโชคในที่นี้หมายถึว่าโชคลาบวาสนาใช่ ก, ก็โชคคำว่าโชคในที่นี้ก็คือเป็นผู้โชคดีอน่นะโชคดีในอะไรบ้างอะไรที่เาเรียกว่าดีๆทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้ามีหมด ที่คนจะชอบพูดว่าโอ้คนนี้เป็นผู้มีบุญจริงเนอะมีวาสนาทําไมเป็นคนเคราะดีจริงๆเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้านี่อยู่ในสิ่งเหล่านี้หมดเพราะบางพวกเอ่อบางสูตรพระองค์บอกว่าในบรรดาผู้เคราะดีพระองค์ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เคราะดีเป็นต้นคําว่าเคราะในที่นี้ไม่ใช่เคราะแบบลัทธิอื่นอ่ะนะแต่หมายถึงว่าผู้ที่ประสบแต่สิ่งที่ดีตลอด ประสบแต่สิ่งที่ดีถึงจะมีอุปสรรคมีอะไรแต่ก็ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปด้วยดีชนะอุปสรรคทั้งมวลโดยประการทั้งปวงก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่โชคดีชนะทั้งกิเลสมานชนะทั้งขันธมานมัจจุมานเทวปุตตมานชนะใจตัวเองได้ถึงที่สุดเนี่ยนะสามารถที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไปที่ไหนก็ไปเพื่อ น, นําโชคไปให้ผู้อื่นหมดเลยใช่ไหม ผู้อื่นที่กำลังโชคร้ายทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าไปนี่โชคดีหมดเลยร้องให้เสียใจเนี่ยนะพบพระพุทธเจ้าอิ่มใจไปเลยกันนี่ดีใจเลยพระองค์นี้เป็นบุคคลประเภทนั้นพระองค์นี้ชื่อว่าพักวาเพราะเป็นผู้เสพที่สงัดคิดดูนะแม้กระทั่งทุกวันนี่พระองค์ก็ยังอยู่ที่สงัดอีกอยู่ดีกระดูกของพระองค์นี่เขาไม่ไม่ตั้งในที่พลุกพล่านอะไรมากจ ะ, จ ะ, จะกระดูกยังตั้งอยู่ในที่สงัดเลยจะ ก, กล่าวไปยายถึงตอนมีพระชนอยู่นีนะ พระองค์นี้เป็นผู้ที่ควรรับปัจจัยสเนี่ยนะปัจจัย4นี่หมายความว่าบูชาพระองค์เนี่ยจะได้รับผลหาประมาณไม่ได้ในบรรดาบุคคลที่ควรบูชาทั้งหมดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระพุทธเจ้าควรบูชาที่สุดเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้เพรันควรเครื่องสักการะทั้งมวลโดยประการทั้งปวงแล้วในโลกนี้ไม่มีใครมีเครื่องสักการะเท่าพระพุทธเจ้ารูปปั้นของพระองค์ที่เป็นทองคำเนี่ยมีเยอะมาก นะเฉพาะรูปที่เป็นทองคำนะเครื่องประดับที่เป็นทองคําก็เยอะวิหารทองคําเป็นน้นที่สร้างบูชาพระองค์นี้ก็มีเยอะเป็นผู้ที่มีเครื่องประดับมากที่สุดเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากที่สุดทั้งสมัยมีพระชนอยู่และปรินิพานไปแล้วทุกวันเนี่ยถามว่าที่ดินใครเยอะที่สุดบอกของพระพุทธเจ้านะทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีเยอะที่สุดในโลกเนี่ยนะเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีคุณควรแก่เครื่องสักการะ ขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้จำแนกจำแนกอะไรจำแนกพระปริยัติธรรมจำแนกพระวินยัยจำแนกพระสูตรและจำแนกพระอภิธรรมจำแนกกุศลอกุศลอภพยากตะจำแนกดีชั่วบุญบาปขันธาตุอายตนะเป็นต้นพระองค์ชื่อว่าพักวาก็ได้ทําการหักพัคธรรมพักธรรมตัวนี้แปลว่าหักบาปหักอกุศลหักกิเลสโดยประการทั้งปวงพระองค์ก็เป็นครูเนี่ยนะคือผู้ที่มีกรุณาต่อ สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เอื้อเอ็นดูหวังให้สรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้มีบุญมีบารมีคือเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมามากเป็นผู้ที่มีฐานะบารมีศีลบารมีเป็นต้นเนี่ยบำเพ็ญมาได้ด้วยดีเพราะถ้าพระองค์ไม่มีบารมีมาพระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์นี้เป็นผู้อบรมพระองค์อย่างดีด้วยยายธรรมเป็นอันมากพระองค์นี้อบรมตัวเอง อ่ะ น, นะเรียกว่าเป็นผู้อ บ, บรมกายอ บ, บรมศีลอ บ, บรมจิตอ บ, บรมปัญญาเนี่ยเรียกว่าอ บ, บรมตัวเองด้วยคุณธรรมทั้งปวงเรียกว่าหล่อหลอมจิตของพระองค์ด้วยคุณธรรมโดยประการทั้งปวงสุดท้ายพระองค์เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งพบที่สุดแห่งพบอยู่ที่ไหนหมายคือว่าเมื่อแทงตลอดธรรมนี้แล้วพบถือว่าถึงที่สุดแล้วก็คือพระนิพพานนั่นแหละที่สุดแห่งพบทั้งหลายก็คือ พระนิพานพานพระนิพพานนี้เป็นที่สุดแห่งปฏิสนธิเนี่ยนะหมายความว่าถ้าแทงตลอดพระนิพพานตรรมมาพบก็เป็นอันดับไปอุปติพบก็เป็นอันดับไปเนี่ยนะเพราะแทงตลอดพระนิพพานพระองค์เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งพบคือแทงตลอดพระนิพพานคถ า, าเป็นว่าภาขยาวาเป็นต้นที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบัณฑิตเฉลิมพระนามว่าพาักวะเพราะเป็นผู้มีภาขยะภาขยะนี้แปลว่าเป็นผู้มีส่วน มีส่วนแห่งอะไรโพธิปัธจะธรรมเป็นต้นนะนะเป็นผู้หักกิเลสก็หักราคะโทสะโมหะเดี๋ยวข้างหน้าจะมีต่อไปเนี่ยนะสูตรต่ อ, ต, อต่อไปชื่ออ า, อาหุสูตรเป็นต้นเนี่ยจะกล่าวถึงการหักบาปหักอกุศลของพระองค์พระองค์นี้เป็นผู้ประกอบด้วยพักธรรมก็คือประกอบด้วยคุณธรรมต่างๆพระองค์เป็นผู้จำแนกก็คือจำแนกธรรมรัตนะเป็นผู้ครบ ครบก็คือครบโลกุตระธรรมเป็นต้นนั่นแหละเป็นผู้คายคายการไปในภพเสียได้ น, น, นะก็คายตัณหาที่เป็นเหตุนําไปสู่ภพใหม่ได้โดยประการทั้งปวงอธิบายเพิ่มเติมว่าชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพักวา่าเพราะครบภาคยธรรมอ่าครบภาคธรรมหรือคายพักธรรมจริงอยู่ตถาคตเนี่ยย่อมครบย่อมสมาคมเสพธรรมให้มากซึ่งบารมีธรรม มีทานศสีนเป็นต้นถ้าตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้าเห็นอะไรบ้างแล้วพระองค์ไม่ให้ทานนี่มีไหมมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโพตภาภะไหนมัง่งที่พระองค์ไม่น้อมไปเพื่อให้ทานไม่มีในโลกท่านให้แม้กระทั่งเรียกว่าสิ่งที่ท่านรักที่สุด่ะนะเรียกว่าอย่าว่าภายนอกเลยไล่ไล่ไล่ไ ล, ล่มาแม้กระทั่งไอ้ไ่างเช่นที่จะเห็นได้เพราะตาก็ยังให้ตาเป็นทานเลยยัง ชีวิตนี่อยู่ได้พระหัวใจท่านก็ผ่าหัวใจนี่ให้ทานได้ท่านทำได้หมดเลยทรานอันนี้เรียกว่าครบครบอะไรนะครบบา ร, รมีธรรมมีศีลเป็นต้นถ้าใครที่เรียนจริยาปิดกเรียนพุทธวงศ์หรือว่าเรียนคำพีชาดกเป็นต้นเรียนพระพุทธคุณต่างๆนี่ก็จะทราบเสื่งว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ครบคุณธรรมโดยประการทั้งปวงจริง และพระองค์ยังมีอุตริมนุสธรรมมีฌานวิโมกมีฌานวิโมกอภิญญาสมาบัตมรรคผลเนี่ยนะจึงเรียก ว, ว่าพระองค์นี่ย่อมครบขณะเดียวกันเนี่ยพควาเนี่ยเพราะครบคือปรารถนาอย่างยิ่งซึ่งธรรมเหล่านั้นและว่าอย่างไรเนาะธรรมะเหล่านี้จะเพิ่งบังเกิดขึ้นในสันดานของเวนยสัตว์คือพระองค์นี่มีคุณธรรมเหล่านั้นหมดแล้วใช่ไหม ก็ยังหวังว่าเสัตว์จะได้คุณธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรดังที่มีในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักมหากรุณาสมาบัติญาณิเทศพระองค์ก็คิดว่าบัตรนี้เนี่ยนะเราข้ามได้แล้วแต่ว่าสัตว์โลกยังข้ามไม่ได้บัตนี้เราตรัสรู้แล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ตรัสรู้บัตรนี้เราโล่งใจแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่โล่งใจบัตรนี้เราปรินิพานแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ปรินิพานแล้วก็ท่านก็เลยคิดต่อไปอีกว่า เราตรัสรู้แล้วเราจะให้สัตว์อื่นเนี่ยตรัสรู้ด้วยท่านคิดอย่างนี้ทุกวันนะวันละสองรอบด้วยซ้าไปเราตรั ส, สรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรั ส, สรู้ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราสงบแล้วเราจะให้สัตว์อื่นสงบด้วยเราฝึกเสร็จแล้วเราจะฝึกสัตว์อื่นด้วยเราปรินิพานแล้วจะยังสัตว์อื่นให้ปรินิพานด้วยอันนั้นคือความคิดของพระองค์เช้ามืดก็คิดอย่างนี้ บบ่ายก็คิดอย่างนี้อีกเพราะไอความคิดแบบนี้ที่มีบ่อยๆ อ, อย่างนี้แหละทำให้พระองค์เนี่ยท่องเที่ยวไปในดินแดนประเทศอินเดียเนี่ยพระองค์เดินเดินแบบรู ป, ปรการเนี่ยนะเดินสี่สิบสี่รอบเป็นอย่างน้อยสี่สิบสี่รอบอินเดียนะของเราไปกี่รอบแล้วสามรอบแล้ว <c oughs> ก็ดูนะพระพุทธเจ้านี่ไปตั้งสี่สิกว่ารอบใช่ไหม องเราเพิ่งไปคนละรอบสองรอบบอกครอบเดียวก็พอแล้วนะบางคนว่างั้นนะแสดงว่าไม่เป็นไรเนะาะตามสมควรเพราะพระองค์นี้ท่องเที่ยวไปแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็ไปเพื่อให้ว่าคุณธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในสันดานของเวนยศาสตร์ือแสดงว่าเวนยศาัตร์เนี่ยมีสิ่งที่ไม่มีคุณอยู่ภายในใช่ไหม พระองค์เนี่ยไปเพื่อกำจัดโทสะของเขาให้เขามีอโทสะขึ้นไปเพื่อกำจัดโลภะของเขาให้อโลภะเนี่ยเกิดขึ้นพระองค์ไปเพื่อกำจัดความโง่เขลาของเขาให้เขามีส ต, ติปัญญาขึ้นให้เาอาณะจากเป็นคนไม่มีฮิริโอตปะก็สอนให้มีฮิริโอตปะไม่มีวิชาความรู้พระองค์ก็เที่ยวแนะนำเขาไปทั้งหมดนั่นแหละอันนี้แหละเรียกว่าพัวเพราะพระองค์ปรารถนาให้หมูสัตว์ได้รับ คุณธรรมต่างๆนั้นเราก็หัดเจริญเมตตาไว้ในใจบ้างก็ดีเหมือนกันใช่ไหมขอให้ผู้อื่นมีความสุขบ้างะนะเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าสักนิดหน่อยก็ยังดีนะว่าเออขอให้ผู้ฟังธทมนี่มีความสุขกันนะอย่างเงี้ยนะคิดๆไม่ไม่ได้ลําบากอะไรหรอกเพราะว่าน้อมไปคิดอย่างนี้บ้างขอให้ผู้อื่นเขามีความสุขะนะ อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพักวาเพราะขายคือถ่ายออกซึ่งความเป็นใหญ่และยศกล่าวคือพักธรรมไม่อะไรขายทิ้งเหมือนบุคคลขายทิ้งก้อนเขละฉะนั้นจริงอย่างนั้นถ้าตถาคตนั้นสำคัญสิริราชสมบัติแห่งจกกักรพรรดิอันอยู่ในพระหัตถ์ความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่เช่นกับความเป็นใหญ่ในเทวโลกและยศอันรุ่งเรือง อ, อันรุ่งโรดด้วยรัตนะเจ็ดอย่าง เป็นที่อาศัยแห่งจักรพรรดิสมบัติพระองค์มองเห็นว่าเหมือนถูกไฟไหม้ตอนที่พระองค์ออกบวชเนี่ยนะพยามานเขาว่าไงนะศิทธาอย่าออกบวชเลยอีกเจ็ดวันท่านจะได้เป็นจกักรพรรดิแล้วอวไม่เอานะท่านมองว่าสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดเหมือนกับถูกไฟไหม้ตอนที่ท่านทราบว่าท่านได้ลูกชายเนี่ยนะพระราหุลเกิดขึ้นเลยท่านรักเนี่ยสำน ว, นวนว่ารักจดเยื่อในกระดูก บอกนี่เรามีลูกคนเดียวแค่นี้นะอย่างเรารักขนาดนี้เลยท่านรู้ละจะต้องทุกข์มากอีกต่อไปแน่เพราะเพราะลูกคนนี้ถ้ามีลูกเป็นพันจะเดือดร้อนขนาดไหนก็เลยโอ้บวช ด, ดีกว่ายัางไงพระองค์เนี่ยมองทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยเหมือนกับสิ่งที่ถูกไฟไหม้ก็ถ้าบ้านเรือนเราถูกไฟไหม้เนี่ยนะจะนอนกาะสมบัติแล้วข อ, อนี่ก่อนค อ, อ, อ, อนี้ก่อนนะนะท่านไฟคือชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโตมวัณอุปายาดเผาแล้วนอนแช่ทําไมย่ังไง พระองค์ก็เลยไม่ทรงอะไรเนี่ยนะละเสดออกมหาพิเนสกรมพิเนสกรมตัวนี้เขาเรียกว่าออกมหาเนคขมะเนคขมะเนี่ยโดยศัพท์เนี่ยมีความหมายหลายอย่างเนคขมะหมายถึงศีลก็หมายถึงบรรปชาหมายถึงศีลหมายถึงสมถวิปัสสนาหมายถึงอริยมรรคและก็หมายถึงนิพพานเขาเลยใช้คําว่ามหาพิเนสกรมก็คือมหาเนคขมะนั่นเอง เนคขมะอะ น, นะเนคขมะบารมีหมายถึงการออกบวชออกบวชและดำรงอยู่ในศีลจเจริญสมถะวิปัสนาบรรลุอริยมรรคแทงตลอดพระนิพพานบางแห่งบอกว่าเห็นคำเนคขมะโดยความกเกษ ม, มนี่หมายถึงพระนิพพานนะครับคำว่าออกมหาพิเนสกรมนี้ก็ออกเพื่อแทงตลอดพระนิพพานพระองค์ก็ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณนะซึ่งตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณหมายถึง การรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้นซึ่งข้างหน้าต่อต่อไปจะมีกล่าวอีกมันคาว่าพักวาตัวนี้หมายถึงคายคายออกจริงๆอ่ะนะคายมนุษย์สมบัติคายจักรพัฒสมบัติคายทรัพย์สินทั้งมวลที่มีอยู่เนี่ยนะก็ที่ที่มาแห่งคาถามว่าถ้าสมบัติในโลกนี้ ท, ที่ที่บุคคลมีอยู่เป็นสิ่งที่ดีจริง ทำไมพระพุทธเจ้าจึงจึงออกบวชทำไมท่านจึงออกแล้วก็บําเพ็ญบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะยังไม่พอตอนหลังอะ่ะพระนันท h เนี่ยนะกําลังแต่งงานเดี๋ยวเฟื่องข้างหน้าจะมีนันทสูตรเนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วจะเป็นจักรพรราชาอยู่แล้วจะขึ้นครองราชอยู่แล้วแต่งงานเสร็จเนี่ยนะนันทะอุ้มบวชต่อให้บาทเลยยื่นบาทให้พระนันทะพระนันทะก็ต้องอุ้มบาทตามอจะถวายคืนก็ไม่กล้า นั้นถ้าบวชไหมปฏิเสธก็ไม่ได้อีกบวชพระเจ้าค่า <c oughs> ะสมใจบวชแล้วบวชไม่กี่วันศึกก็ได้บวชแล้วก็ไม่ได้ศึกมันรู้เป็นพระุอาหัน <c oughs> ตอนหลังอีกพระราหุลเนี่ยนะมาขอสมบัตินะสมณะฉันขอสมบัติเพราะว่าต่อไปเนี่ยโตขึ้นแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าเป็นจกักรพรรดิมันต้องใช้สมบัติมันขอเธอสมบัติพระแม่สอนมาให้ไปขอสมบัติกับพ่อ <c oughs> คือตอนที่พระพุทธเจ้าท่านออกบวชเนี่ยนะสมบัติขุมทรัพย์เนี่ยมันหายไป พอมันหายไปเนี่ยพระนางพินพาก็เลยใช้พระราหุลไปขอพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้ที่ลูกมาขอเนี่ยสมบัติที่เป็นไปในวะตะัตฏะท่านไม่ให้ท่านให้สมบัติที่พ้นทุกข์เลยดีกว่าก็เลยให้บวชเลยเนี่ยนะก็คิดดูนะพระราหุลเนี่ยคือจับพระาหุลอายุเจ็ดขวบบวชพระเจ้าสุโทธทนะร้องให้เลยหมดแน่หมดแน่อ๋ไอวงนี้หมดแน่นะตอนแรกก็หวังพระนันทะใช่ไหมครองราช นั่นถ้าบวชแล้วก็หวังพระราหุนครองราชพระราหูก็บวชอีกแล้วร้องให้เลยที่มาว่าถ้าใครจะบวชต้องขออนุญาตพ่อแม่ก่อนพระเจ้าสุโทธทนะขอพอเอาไว้อย่างนั้นเพราะถ้าหากเราจะเห็นว่าการออกจากวัฏฏุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีเนี่ยนะนั้นถ้าหากว่าไม่ออกเลยอะไรจะเกิดขึ้นถึงเราจะขึ้นขึ้ น, นมีอํานาจเป็นใหญ่เป็นโตมีอํานาจขนาดไหนก็ตามในที่สุดก็คือนักโทษประหาร ใช่ัหมมีอำนาจจนถึงรอวันประหารอ ย, ย, ย่างงน่าสนใจไหมมีสิทธิ์ประหารคนอื่นก่อนแล้วตัวเองก็ถูกประหารตามก็มีเท่านั้นน่ะทีนี้ถ้าหากว่าไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยนะจะถูกประหารอีกกี่ชาตินอเ <c oughs> ชื่อว่าพัควาเพราะไปคือเป็นไปพร้อมนักษัตย์เชื่อว่าพาเหล่านั้น คือเป็นความงามอันอาศัยโลกเป็นที่รองรับเช่นภูเขาซีเนรุเขายุคันทร อ, อุตระกุรุทวีปและป่าหิ ม, มพานเป็นต้นเพราะเป็นที่ตั้งอยู่ตลอดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงคายคือละพักธรรมแม้เหล่านี้ด้วยการละฉันทะคะอันเนื่องกับพักธรรมนั้นเพราะก้าวล่วงการอยู่ของสัตว์ผู้อาศัยอยู่ในโลกนั้นแหล คือพระองค์เนี่ยนะคายออกหมดจริงๆซึ่งต่างจากหมูสัตว์เนี่ยนะไปเที่ยวสูบเนี่ยนะไปเที่ยวสูบไปเที่ยวแบบไช้มือประหมึกนะไปเที่ยวรัดรัดรัมัดมัดมัดเห็นดอกไม้ก็ไปร้อยไปรัดไปมัดเห็นอาหารมันหน้ากินไปหมดเลยอย่างเงี้ยใครว่าหมูสัตว์เนี่ยปกติเป็นอย่างนั้นแต่พระองค์เนี่ยคายออกหมดเลยนะของของถ้าของสัตว์โลกเนี่ยตั้งเครื่องสูบไว้เลยเนี่ยนะไปเที่ยวดูถ้าอะไรมันเข้ามาก็ดูดเข้าดูดเข้าดูดเข้าแต่พระองค์มีแต่ขย้อนออกขย้อนออกขย้อนออกเนี่ยนะ ก็คิดดูว่า ก, การสูบเข้ากับการคายออกอันไหนดีกว่ากันก็เหมือนทานอาหารใช่ไหมเราไม่รู้ว่าอาหารนั้นมันเป็นพิษเนี่ยเราก็บริโภคเต็มที่เลยใช่ไหมแต่ผู้ที่มีปัญญาเขารู้ว่าสิ่งที่เรากลืนเข้าไปนี่เป็นสิ่งมีพิษเขาก็รีบคายออกดังนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยเขาไม่ต้องรอให้พิษกำเริบก่อนแล้วค่อยคายแต่คนพานทั้งหลายก็รอให้พิษมันกำเริบแล้วก็ยังหวงอีกกว่าจะหามากลืนได้คายทิ้งทําไมเงี้ยนะ ก็เลยขอตายไปกับอาหารที่ตัวเองสแสวงหามาด้วยความเหนื่อยยากนั่นแหละแต่ว่าพระองค์นี้ตัดชันทราคาในสิ่งเหล่านั้นได้โดยประการทั้งปวงหมดแล้วสรุปสรุปว่าสรุปเอวมเมสุตังเอกังสมยังพะควาเนี่ยนะแปลเป็นภาษาไทยทนอในครั้งหนึ่งนะข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอธิบายอยู่ข้านี้นะไม่ได้เดินเรื่องไปถึงไหนหรอก คำว่าเอวเมสุตังก่อนที่แปลว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้คือพระอนนุเถระเมื่อกล่าวธรรมะตามที่ได้สดับมาจึงคําโครงร่างแห่งธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ประจักษ์เพราะฉะนั้นพระเทระจึงปลอบโยนชนผู้เบื่อหน่ายด้วยการไม่ได้เฝ้าพระาศาสดาให้เบาใจว่านี่นี้ไม่ใช่ปาพศคือธรรมวินัยที่าศาสดาล่วงไปแล้วนี้เป็นาศาสดาของพวกท่าน เอวเมสุตังเนี่ยพระไตวิฎกคือศาสดาของเราทั้งหลายนะตามที่พระพุทธเจ้าตรัส ก, กับพระอนุนไว้ว่าอ น, อนุ์ธรรมและวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอคือธรรมะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงวินัยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติที่ทั้งแสดงทั้งบัญญัติแก่พวกเธอธรรมและวินัยนั้นจกเป็นพระศาสดาของพวกเธอเมื่อเราล่วงไปแล้ว จากพุทธพจน์อันนี้เนี่ยนะทำให้คิดอย่างหนึ่งว่ามูสัตว์ถ้าสัตว์ใดที่ไม่ต้องการปริยัตก็แปลว่าไม่ต้องการาศาสดาอ่นะสัตว์ที่ไม่ต้องการปริยัตก็คือไม่ต้องการพระสาสดาแสดงว่าไม่ต้องการพระพุทธเจ้าหลายท่านก็เลยบน่นเมื่อไหร่จะเรียนจบสักทีจะได้ไปปฏิบัตินะแสดงว่าเบื่อในการเข้าเฝ้าเต็เตมทีแล้วมันนั้นเองมันก็อย่าลืมว่าพร ะ, พ, ระพุทธพจน์ทั้งหมดนี้คือ ศาสดาของเราทั้งหลายเนี่ยนะศาสดาธรรมวินัยนี้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าและก็ใครที่เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าโดยรู ป, ปากายก็ไม่ต้องไม่ต้องหนักใจแล้วเนี่ยนะไม่ต้องหนักใจเพราะคาสอนถือว่าสมัยนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในยุคนี้เนี่ยนะเพราะว่า คำสอนที่มีอยู่ที่กลุ่ไหนที่เขาไปเก็บเก็บไว้นะเขาเรื่อเอามาพิมพ์มาแจกมากระจายในสมัยนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดมีการแปลแม้กระทั่งชาวชนบทเป็นต้นเนี่ยนะประชาชนทั่วๆไปได้เรียนได้อ่านถือว่าเป็นสมัยที่ยุค น, นี้ถือว่าเฟื่องฟูที่สุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ปฏิรูปมากที่สุดอีกเหมือนกันนะเพราะว่าตีความกันต่างๆนานา โดยมากที่ขอเดินตามศึกษาตามเรียนตามรู้ตามขอเห็นตามเนี่ยที่สมมาทานลักษณะนี้ไม่ค่อยมีมากก็เลยพยายามหาทางเลือกใหม่ๆ ห, หาทางเลือกใหม่ๆก็หลายท่านก็เลยเสนอทางเลือกใหม่ๆขึ้นมาเสนอไปเสนอมาก็เลย น, นะติดสติ๊กเกอร์พระพุทธเจ้าแต่ว่าเนื้อในไม่ใช่ตรงนี้ถามว่าเราอะไรเป็นเครื่องวัด อะไรเป็นเครื่องวัดก็เนี่ยพระองค์ธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้แล้วนี่แหละเป็นเครื่องวัดขอเป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยเป็นไปตามคําสอนไหมหลายท่านที่เป็นนักศึกษาพระธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะทุกความคิดของเราเนีให้ตรวจกับพระธรรมให้ได้เราคิดเรื่องอะไรขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะต้องหาที่มาให้ได้ว่าที่เราคิดอย่างนี้เข้ากับสูตรใดแล้วขัดกับสูตรใด เป็นไปตามคําสอนหรือไม่หรือขัดกับคําสอนเนี่ยนะต้องต้องตรวจสอบอย่างนี้ให้ได้ทั้งหมดถ้าตรวจสอบอย่างนี้ไม่ได้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงมากเนี่ยนะน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นคําสอนอะไรไม่ใช่คําสอนอย่างที่สุดอย่างเช่นเอาแบบเมื่อชาวราสวตมงคลสูตรเนี่ยนะชีวิตของเราแต่ละขณะเนี่ยต้องมาตรวจกับมงคลว่ามันเข้ากี่มงคลแล้วมันขัดกี่มงคลเป็นต้นจะต้องเอามาใช้ในลักษณะนี้ให้ ให้เพียงพอจริงๆถ้าไม่เพียงพอจริงๆก็ยากที่จะเดินถูกถ้าเดินผิดนะให้รู้ว่าปกติปกติของสัตว์ที่เฝ้าวัตตะเนี่ยเดินผิดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเดินถูกเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบให้ดีว่าถูกทํำไมจึงถูกถูกเพราะอะไรถูกไหนถูกใจหรือว่าถูกต้องหรือว่าถูกธรรมถูกวินัยเป็นต้นอันนี้ต้องเช็คให้ดีจริงๆเลยแล้วก็ทุกคนรับผิดชอบด้วยตัวเองนะคำว่าเอกังสมยังพะควะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระอน์เทระเมื่อแสดงว่าในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพระชนอยู่จึงสาทกการปรินิพานด้วยรู ป, ปกายตอนนี้นะตอนนี้พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ไหมไม่อยู่ตอนที่พระอนุเนี่ยเอาพระธรรมวินัยสังายนณาพระพุทธเจ้าก็ดับขันปรินิพานแปลว่าเผาเรียบร้อยแล้ว น, นะ ด้วยเหตุนั้นพระอานนต์เนี่ยให้ชนผู้มัวเมาเพราะความมัวเมาในชีวิตให้สังเวชและให้เกิดความภาคเพียรพยายามในพระสัตวธรรมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยทรงแสดงธรรมทั้งแสดงธรรมมีหลาอย่างเช่นนี้คือธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยแสดงไว้เยอะมากใช่ไหยพระองค์นี้ก็ทรงไว้ซึ่งกำลังกำลังกำลังแห่งพยานสิบอย่าง มีพระรู ป, ปกายเนี่ยนะโครงร่างโครงสร้างทางร่างกายของพระองค์นี้ก็เหมือนกับเพชรถึงอย่างนั้นก็เสด็จปรินิพานแล้วใครอื่นจะเพิ่งให้เกิดความหวังในชีวิตเราแล้วเราหวังว่าเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอย่างนี้ยังดับขันปรินิพานแล้วของเราล่ะอีกกี่วันหนอก็ที่แน่ๆก็นักโทษประหารเหมือนกันนั่นแหละ ประหารในฐานะไหนอีกเรื่องหนึ่งนะที่ใดแต่ว่ายังไงก็ตายกันหมดแหละเชื่อเหรอก็เกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแหละจริงเกิดร้อยก็ตายร้อยหนึง่งไม่เคยลดหย่อนเลยแม้แต่คนเดียวเพราะสัตว์ที่เกิดมาในโลกจะต้องตายหมดนี่เมื่อตายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ตายเราก็ตายต่างกันตรงไหน กายของคนพาลก็เกิดจากอวิชชาเกิดจากกรรมกายของบัณฑิตก็เกิดจากอวิชชาเกิดจากกรรมกายของเรากับของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันต์ทั้งหลายต่างกันตรงไหนแต่ต่างกันตรงที่ว่าคนพาลทั้งหลายไม่มีการประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีการประพฤติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ของพระอริยทั้งหลายท่านมีการประพฤติปฏิบัติไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 คนพาลทั้งหลายทิ้งกายนี้ถือเอากายใหม่ทิ้งมนุษย์ถือเอาอบายเป็นต้นเนี่ยนะแต่ของพระอริยะไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านทิ้งกายนี้แล้วก็เรียกว่าทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดเป็นประดุจตาลยอดด้วนนะพระองค์ไม่ถือเอากายอื่นๆอีกแล้วไม่ต้องไปแบบกกองทุกอันใหม่อีกแล้วซึ่งต่างจากปุถุชนทั้งหลาย ส่วนในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะเช่นคําว่าวิหะนะวิหารติลองไปดูพุทธพจน์ในสูตรเดิมตามเดิมเองนะในหน้าแรกเลยหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งทวนกลับไปหน้าแรกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆตรัสรู้ใหม่ๆนี้หมายถึงอะไรหมายถึงตรัสรู้ก่อน ก, อนกว่าใครๆทั้งหมด นะหมายถึงแตรสรุอริยสัจพระองค์ประทับอยู่ที่โคน ไ, ไม้โคนไม้โพอสัตถพฤกนี่นะโคนต้นโพเนี่ยใกล้ฝั่งแม่น้ําเนรัญชราที่ตําบลอุรุเวลาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งสเสวยวิมุตติสุขด้วยบาลังอันเดียวตลอดเจวันสเสวยวิมุตติสุขเนี่ยนะวิมุตติคืออะไรสะเสวยวิมุตติสุข คําว่าวิมุตต์เนี่ยปกติแล้ววิมุตต์นี่มีอยู่ห้าอย่างใช่ไหมวิมุตต์เนี่ยในอัตถิฐานหน้าห้าสิบที่กล่าวว่าสวยวิมุตต์ปกติคําว่าวิมุตต์มีห้าอย่างหนึ่งตะทางข้าวิมุตต์สองวิขัมพนะวิมุตต์สาสมุตเฉทวิมุตต์สี่ปฏิปัสสัททิวิมุตต์ห้า นิสรณะวิมุตตคิดง่ายๆว่าตาทางค่าวิมุตตคือวิปัสนาวิขัมภนะวิมุตต์คือสมถะสมุทมเฉทวิมุตตคืออริยมรรตปฏิ ป, ปสัตทิวิมุตตคืออริยผลนิสรณะวิมุตตคือนิพพา น, น, นอธิบายตามลำดับว่าความหลุดพ้นโดยการหลุดพ้นจากธรรมะอันเป็นค่าศึก น, นั้นๆด้วยคุณธรรม องคุณหรือคุณธรรมนั้นๆเช่นมีการบริจาคไทยธรรมเป็นต้นบริจาคไทยธรรมนี่ละอะไรละความตรนีหรือว่าละด้วยองแห่งวิปัสสนามีการกําหนดนามรูปเป็นต้นตราบเท่าที่องนั้นนั้นยังเป็นไปโดยไม่มีการเสื่อมจัดเป็นปะหานะคือการละมาไล่าตามลําดับนะเช่นว่า หลุดพ้นจากความตรนีและความโลภเป็นต้นด้วยการให้ทานอันนี้หนึ่งเห็นชัดเลยหนึ่งถ้าเราจะละความโลภละความตรนีก็ต้องด้วยการให้ทานละเว้นจากปานาติบาดด้วยศีลละเว้นจากอธินาทานก็ละด้วยศีลละการเมีสุมิชฌาจารย์ก็ด้วยศีลละมูสาวาละการดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นก็ละด้วยศีล หลุดพ้นจากส ก, กายะทิฐิด้วยการกำหนดนามรูปนันะคือส ก, กายะทิฐิเนี่ยนะคือความสำคัญว่าเป็นเป็นกายอานะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตนเป็นกายของตนถ้าหากว่ารอบรู้ในสิ่งนั้นตามเป็นจริงเนี่ยนะก็จะละความสำคัญสิ่งเหล่านั้นโดยตทางคะ หลุดพ้นจากทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุไม่เสมอกันด้วยการกาหนดปัดจจัยแห่งปัจจัยและธรรมที่ไม่ใช่ปัจจัย <c oughs> ทิฏฐิที่ไม่มีเหตุหมายถึงอหตตกะทิฏฐิถือว่าทุกอย่างเกิดลอยๆใช่หมเ <s par> มื่อกาหนดปัจจัยเช่นอวิชชาตัญหากรรมเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยเนี่ยจะถือว่าขันทั้งหลายเกิดลอยลอยไหมไม่ หรือบางพวกก็ถือว่ามีผู้เสกสรรปั้นสร้างขึ้นเนี่ยถ้าหากว่ารู้ว่าอาวิชชาตันหาอุปาทานกรรมอาหารเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยจักสำคัญว่ามีผู้สร้างไหมก็ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเป็นต้นบละทิฐิเหล่านี้ด้วยการกำหนดปัจจัยและทำที่ไม่ใช่ปัจจัยละจากความเป็นผู้ สงสัยด้วยการข้ามพ้นความสงสัยอันเป็นส่วนอื่นของนามรูปนั้นนั่นแหละความสงสัยนี่สงสัยอะไรสงสัยสงสัย16บหก น, นะสงสัยอดีต5อนาคต5สงสัยปัจจุบัน6ถ้ากําหนดความเป็นไปของนามรูปอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเชื่อมโยงกันอย่างนี้ได้อย่างตลอดสายก็จะละความสงสัยในอดีตอนาคตและ ปัจจุบันเนี่ยนะเพราะเห็นความเป็นไปแห่งนามรูปทั้งหลายและจากการยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราด้วยการพิจารณาถึงรูปกลาปะนะรูปกลาปะหรืออรูปกลาปะก็คือรูปสัมมาสนะอรูปสัมมาสนะนั่นก็คือสัมมาสนญญานนะรูปสัตตกะอรูปสัตตกะเป็นต้นถ้ากำหนดได้ตามนั้นก็การยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเราก็เป็นอัน ถูกละไปอันนี้หมายถึงสัมมาสัญาณนั่นเองหลุดพ้นจากความสําคัญในธรรมที่ไม่ใช่มัคว่าเป็นมัคด้วยการกําหนดมัคขามัคคคือกําหนดว่าอะไรเป็นมัคและไม่ใช่มัควิปัสสนูปกิเลส10ไม่ใช่มัคอนุปัสนาเจตเป็นมัคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหลงชื่นชมในวิปัสสนูปกิเลสิบไม่ใช่มัคแน่นอนมัคนั้นก็คืออนุปัสนาเจ หลุดพ้นจากอุเฉททิฐิด้วยเห็นความเกิดขึ้นแห่งนามรูปมันเกิดยังไงนามรูปเกิดด้วยอาการเท่าไหร่นะ น, นะรูปนามก็คือขันห้าก็เกิดด้วยอาการ25 น, นนะก็ถ้าเห็นรูปนามเกิดโดยอาการ25้าก็ละอุจเฉททิฐิได้ละสัสตตทิถิด้วยการเห็นความดับแห่งนามรูปนามรูปดับโดยอาการเท่าไหร่ 25เนี่ยนะงั้นถ้าเห็นอาการดับของนามรูปโดยอาการ25ก็ละสัสตตทิฐิได้แสดงว่าจะละสัสตตทิฏฐิอุเชททิฐิก็ต้องเห็นนามรูปที่เกิดดับโดยอาการ50 50ละจากความสําคัญในสิ่งที่มีภัยว่าไม่เบ็ดไม่เป็นภัยด้วยการเห็นว่าเป็นภยัยคือปกตินะหมูสัตว์ทั้งหลายไม่เคยคิดว่าสังขารเนี่ยเป็นภัยเลย คิดแต่ว่าปลอดภัยใช่ัหมโดยมากคิดว่ามันปลอดภัยซึ่งจริงๆแล้วมันมีภัยมองเห็นว่าไม่น่ากลัวในสิ่งที่มันน่ากลัวจริงๆแล้วมันน่ากลัวแต่สำคัญว่าไม่น่ากลัวเพราะจะต้องเห็นว่ามันน่ากลัวเห็นว่าน่ากลัวกับเห็นแล้วกลัวเลยเหมือนกันไหมไม่เหมือนปัญญาเห็นว่ามันน่ากลัวแต่ไม่ได้กลัวละความสาคัญว่า น่ายินดีด้วยการเห็นว่าเป็นโทษก็คืออาทีนวายานเนี่ยนะเห็นว่าอุบอะไรนะอุบอุปาทภภาวะนิมิตตาอายุหะคตินิมิตปฏิสนธิเป็นต้นเนี่ยนะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมีโทษเนะเห็นว่าการเป็นไปในวัตฏะเป็นโทษการเกิดขึ้นในวัฏฏะเป็นโทษเป็นต้นเนี่ยนะละความสําคัญรูปว่าหน่าเพลิดเพลินด้วยการเห็นรูปว่าน่าเบื่อหน่ายคือละละควานันทิอ่ะนะด้วย นิพพิธาใช่ไหมละนันทิด้วยนิพพิธาความเบอรนายละจากความเป็นผู้ไข้เพื่อจะหลุดพ้นด้วยมุนจิตุกรรมมยตาย่างคือความไข้เพื่อจะหลุดพ้นที่จริงน่าจะตกนตรงนั้นคือจริงๆแล้วไม่ได้อยากจะพ้นอะไรอยากจะอยู่ตลอดไปนี่แหละใจจริงเนี่ยต้องการจะอยู่นะไม่ต้องการไปหรอกถ้าจะละไอสิ่งความต้องการติดแน่นเนี่ยละความติดแน่นไม่ต้องการไปนี่ละด้วยอะไร ละด้วยมุลจิตุกรรมมายตาเพราะมุลจิตุกรรมมยตายาเนี่ยเป็นยานที่ต้องการออกไม่เอาและไม่ไม่อยู่และออกอย่างเดียวแต่ว่าปกติของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ต้องการจะออกอะไรต้องการจะอยู่ยเนี่ยนะละจากความไม่วางเฉยด้วยอุเบข า, าเนี่ยนะอันนี้เป็นอุเบขาตัวนี้นี่คืออุเบกขาในสังขารุเปกขาญาณเนี่ย น, นะก็คือพิจารณา าวางเฉยด้วยอาการสองวางเฉยด้วยอาการสี่วางเฉยด้วยอาการหกวางเฉยด้วยอาการ8ดวางเฉยด้วยอาการส2สองวางเฉยด้วยอาการสี่สสองไม่ใช่ทําตัวเฉยๆแล้วโง่าตามเดิมเนี่ยนะมันอันนี้หมายถึงสังขารุเปกขาญาณที่วางเฉยด้วยอาการสองอาการสี่อาการ6อาการ8อาการส2อาการ42อเน <WOO. S 1> ี่ยนะไม่ใช่เฉยๆซึมนะง่วงเต็มทีและอะไรเีไม่ใช่ ละจากภาวะอันเป็นปฏิโลมในธรรมทิฏฐิและพระนิพพานด้วยอนุโลมมายาน น, นะคือภาวะปฏิโลมเนี่ยนะภาวะอันเป็นปฏิโลมแย่งในธรรมทิฏฐิและก็ละด้วยอนุโลมมายานคืออนุโลมมายานเนี่ยเป็นยานที่อนุโลมต่อวิปัสสนาญาณทั้ง8ก่อนหน้านี้และอนุโลมต่อโพธิปัจขิยธรรมเพื่อแทงตลอดอริยสัจ ส่วนไอภาวะปฏิโลมก็คือมันเข้าใจตรงงินข้ามในหนทางที่จะออกจากวัตตะและ้วก็ความเข้าใจผิดในพระนิพพานเป็นต้นอันนี้ต้องละด้วยอนุโลมมายาเพราะอนุโลมมายานนี่สอดคล้องต่อวิปัสสนาญาณก่อนหน้านี้และก็อนุโลมต่อโพธิปัจขยธรรมที่จะตรัสรู้อริยสัจหลุดพ้นจากภาวะมีสังขารนิมิตก็คื อ, คอหลุดพ้นจากนิมิตคือขันห้าด้วยโคตรภูยานเพราะโคตรภูยานมี นี้ผ่านเป็นอารมณ์ก็คือโคตรภูยานที่เรียกว่าเอกวุฒานะหลุดพ้นจากส่วนส่วนหนึ่งนนเนี่ยนะก็คือออกจากส่วนออกได้หนึ่งส่วนคือออกจากสังขารนิมิตคือออกจากขันห้าได้ข้อความที่กล่าวมานี้เรียกว่าต่ถังเขวิมุตต์หลุดพ้นด้วยคุณธรรมนั้นๆไล่ตั้งแต่หลุดพ้นด้วยอะไรหลุดพ้นด้วยทานหลุดพ้นด้วยศีลหลุดพ้นด้วยการกําหนดนามรูปหลุดพ้นด้วยการกําหนดปัจจัยและอะไรไม่ใช่ปัจจัยหลุด หลุดพ้นในการกำหนดส่วนอื่นของนามรูปหลุดพ้นด้วยการพิจารณารูปกละลาพิจารณาหลุดพ้นด้วยกำหนดมรคไม่ใช่มรคกาหนดด้วยหลุดพ้นด้วยการเห็นความเกิดหลุดพ้นด้วยเห็นความดับหลุดพ้นด้วยเห็นว่าเป็นภัยหลุดพน้นว่ามีโทษหน้าเบื่อหน่ายใครจะพ้นเป็นต้นอันนี้คือคุณธรรมที่เป็นยานะเป็นปัญญาที่ออกอนะซึ่งตรงกันข้ามกับความ ไม่พ้นเนี่ยนะความติดอยู่นั่นแหละคือความติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีจริงเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องออกเนี่ยนะไม่เชื่อก็ติดอยู่ในขันห้าของเราตลอดไปเนี่ยเอาไหมไม่ให้ตายหรอกให้มันแจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอีกห้าล้านปีดูแลต่อไปนะกะระุ่งกะระิ่งยังไงไม่ทราบนะนึกภาพไม่ออกเลย <laughs> <laughs> ผมนี่เหลือสักสามเส้นหรือเปล่านี่นะ ไอ้ออกก็ออกไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้เนี่ยทำยังไงดีก็อึดอัดเต็มทีแล้วใช่ไหมกลืนเอาไว้ก่อใหม่ดีไอ้คายออกก็คายไม่ได้นี่ต้องหาวิธีคายแล้วส่วนมาดูวิคัมพนาวิมุตต์บ้างนะว่าหลุดพ้นด้วยการข่มไว้อันนี้หมายถึงหลุดความหลุดพ้นที่หมายรุกด้วยการไม่เกิดขึ้นแห่งนิวรนคือไม่ให้นิวรนเกิดคือไม่ให้การมาฉันท่านิวรนเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้น แล้วก็ละปัจจนิกธรรมคือธรรมที่เป็นข้าศึกมีวิตกเป็นต้นด้วยสมาธิอันต่างด้วยอุปจาระสมาธิและอปปนาสมาธิตราบเท่าที่สมาธิดําเนินไปโดยไม่เสื่อมนี้เรียกว่าวิขำพนะวิมุตตานะถ้าเรียนปฏิสัมพิธามมาแล้วเข้าใจไม่ยาก น, นะหลุดพ้นจากกามด้วยเนคขมมะหลุดพ้นจากพยาบาทด้วยอัพยาปาทะหลุดพ้นจากถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาละหลุดพ้นจากวิจิกิจชาด้วยการ กำหนดรรมละหลุดพ้นจากอารติด้วยปรามโมทหลุดพ้นจากอาวิชชาด้วยญาณะหลุดพ้นจากนิวรด้วยปฐมฌานหลุดพ้นจากวิตตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานหลุดพ้นจากปีติด้วยตตยยฌานหลุดพ้นจากสุขทุกข์ด้วยจตุตยฌานหลุดพ้นจากรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานาตตะสัญญาด้วยอากาสาัญาจยตนาเป็นต้นเขาจการหลุดพ้นอย่างนี้เรียกว่า เวขำพนาวิมุตต์เนี่ยนะส่วนสมุเฉทวิมุตต์หรือสมุเฉทาประหารก็คือความหลุดพ้นด้วยอำนาจสมุเฉทาประหารโดยภาวะที่เกิดขึ้นไม่ได้โดยสิ้นเชิงอีกแห่งการยึดถือด้วยกิเลสฝ่ายสมุไทยที่กล่าวไว้ในโดยในเป็นต้นว่าทิฏฐิคตานางประหายะเพราะละทิฏฐิตามสมควรในขันธสันดานแห่งพระอริยเจ้าผู้ดำรงอยู่ในมรรคนั้นๆ เพราะท่านทําอริยมรรคสี่ให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสมุทเฉทวิมุตต์หมายคำว่าถ้าโสดาปติมร์เกิดละอะไรสกายติทิวิจิกิจชาศีระพตาปรามาสสกะทาคามีมร์เกิดขึ้นละอะไรเด็ดขานการมราคาปฏิฆะอย่างหยาบถ้าอนาคามีมร์เกิดขึ้นก็ละการมราคาปฏิฆะอย่างละเอียดถ้าอรหัตมร์เกิดขึ้นก็ละกิเลสที่เหลือโดยประการทั้งปวงนี่นะ พันธันนั้นเป็นสมุทเฉทประหารเป็นการละโดยสิ้นเชิงอย่างแท้จริงภาวะที่กิเลสสงบประงับในขณะแห่งผ ล, ลจิตชื่อว่าปฏิปัสสัตทิวิมุตตนผ ล, ลจิตชื่อว่าปฏิปัสสัตทิวิมุตต์จิตที่หลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงชื่อว่าพระนิพพานเพราะสลัดออกจากสังคตะธรรมทั้งปวงนี้ชื่อว่านิสรณวิมุตต์คือนิพพานนี้เป็นนิสรณวิมุตต์คือสลัดออกจากสังขารทุกชนิดนี่นะ ในที่นี้ที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอันนี้หมายถึงอะไรในสูตรนี้นะปฐมโพธิสูตรหมายถึงในที่นี้ประสงค์เอาการหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งพลจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สุขะปฏิสังเวทีที่บอกว่าเสวยเสวยความสุขหมายถึงประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขสุขอันเกิดแต่พระสมาบัติพระพุทธเจ้าเข้าพระสมาบัติไหน เข้าอารหัตตผลสมาบัตินั่งเข้าอารหัตตผลสมาบัติเจ็วันเลยนะอรหัตตผลเกิดสืบเนื่องเจ็ดวันเลยนะมีนิพพานเป็นอารมณ์ดูท่านจะมีความสุขขนาดไหนนะนึกตามไม่ออกเลยนะสํานวนว่าคนเกิดมานอนไม่หลับเลยนะอิจฉาคนนอนหลับร้เปล่อย่างงี้นะอันนี้แบบหยาบหยาบนะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เกิดมาเนี่ยโรคกลุ้มรุมมาตลอดนะนึกถึงให้คนที่หายสนิทเลยจะเป็นยังไงอย่างไงนะอ่า พรพุทธเจ้าพ้นจากโรคทางกายและโรคทางใจโดยเด็ดขาดนั่งสวยแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยเจวันมันคำว่าวิมุตติวิมุตติโดยศัพท์แปลว่าภาวะที่จิตหลุดพ้นด้วยอานาจความสงบประงับอุปกิเลสอนะอุปกิเลสก็คือสงบประงับความเศร้าหมองสงบประงับจากสิ่งที่ทําให้เศร้าหมองโดยประการทั้งปวงความสุขที่ประกอบสัมปยุตคือประกอบด้วยวิมุตติ น, นั้นชื่อว่าวิมุตติสุข ที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าอรหัตผลสมาบัติระดับฌานสี่ระดับจตุตธาฌานนะคืออรหัตผลปฐมฌานอรหัตตผลสมาบัติทุติยะฌานอรหัตผลสมาบัติตติยะฌานอรหัตผลสมาบัติจตุตธาฌานแต่ในที่นี้หมายถึงอรหัตตผลสมาบัตรระดับจตุตธาฌานถึงอุเบขาในจตุตธาฌานอรหัตผลสมาบัติก็ชื่อว่า สุขเหมือนกันเพราะมีความสงบจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าอารหัตตผลสมาบัติอันประกอบด้วยฌานที่สคือเข้าจตุทัชฌานอารหัตตผลสมาบัติพระองค์ไม่เข้าสมาบัตอื่นถ้าจะเข้าพระสมาบัตเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งการเข้าไปสงบสังขารทุกข์ชื่อเรียกว่าเป็นสุขเหมือนกัน อะไรนะอันนี้จาวตาสังขาราอุปทวยธรร ม, มิโนอุปชิตวานิรุตชันติเตสังอุปสโมสุขโขตรงนี้เอาเฉพาะประโยคสุดท้ายมาเตสังอุปสโมสุขโขการเข้าไปสงบประงับสังขารเป็นสุขฉันใดเฉพาะปฏิปัสสัตที่วิมุติที่ได้ในอรหัตผลเพราะเป็นความสงบกิเลสสงบกองทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นสุขในที่นี้เพร้นคําว่าคําว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขด้วยบาลังเดียวตลอดเจวันเนี่ยหมายถึงการเข้าอารหัตผลสมาบัติเนี่ยนะเป็นปฏิปัสสัตที่วิมุตตนะเป็นพระสมาบัติระดับฌานที่สที่สงบจากกิเลส ท, ทั้งปวงสงบจากวัตทุกนะสงบจากอารมณ์ของวัตตะโดยประการทั้งปวงอันนี้เรียกว่านั่งเข้าเสวยความสุขเจวัน ส่ว น, นรายละเอียดเกี่ยวกับวิมุติคืออริยผลสมาบัติเนี่ยนะอริยผลสมาบัติพภะสมาบัติทั้งหลายเนี่ยคงจะได้เอายกข้อความตรงนี้นะข้อความในหน้า53เอาไว้กล่าวอีกครั้งตอนที่พระสูตรว่าด้วยนิพพานปฐมนิพพานสูตรทุติยนิพพานสูตรจะยกข้อความตรงนี้ไปแสดงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าโหเนี่จะเรียนมัคควิถี แล้วก็วิธีเข้าพระสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะก็ใครทำได้ก็เก่งนะมีบุญมากนะสะสมบุญไว้ดีมากนะแต่ดูท่าแล้วตอนนี้แหมมันเข้ากับบรรยากาศพอดีง่วงงวงนะนั่นถ้าไปเรียนเรื่องพระสมาบัติเนี่ยหลับสมาหลับพอดีเลยคนนี้อันนี้หมายถึงบางคนแหะนะไม่ใช่ทุกคนหรอก นี่มาดูข้อความในพุทธพจน์ในหน้าแรกตามเดิมที่บอกว่าพอครั้งนั้นแลพอสั ป, ปดาห์นั้นล่วงไปคือผ่านพ้นไปเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธิคือเสด็จออกจากอรหัตตผลสมาธิทรงมณสิการปฏิจจสมุปบาทอันเป็นอนุโลมด้วยดีตลอดปฐมยามแห่งราตรีเรียกว่าแสดงว่าคืนคืนที่ ผ่านไป7วันและแสดงว่าคืนที่8ใช่ั้ยคืนที่8เนี่ยพระองค์เนี่ยมานสิการปฏิจจสมุบาทด้วยดีไปดูหน้าหน้าเท่าไหร่58เนาะที่บอกว่าดมนัสิการปฏิจจสมุบาทเนี่ยนะสาธุกัรมนะมณสากาสิที่บอกว่าใส่จสสสาาสสใจไว้โดยเคารพ พระพุทธเจ้าเนี่ยมสการปฏิจจสมุบาตเนี่ยใส่ใจด้วยความเคารพจริงๆนะนทำไว้ในใจไม่ให้วิปริตพิจารณาทั้งหมดไม่มีส่วนเหลือแต่ที่เอามาแสดงนี่แสดงเฉพาะหัวข้อ น, นะเพราะว่านี่เอามาแสดงแค่อะไรนะใช้เวลาสวดใ น, นถึงสองนาทีไหมไม่ถึงแต่พระพุทธเจ้าพิจารณาสี่ชั่วโมงอย่างง้นะพันตรงนี้เอามาแต่หัวข้อมาดูคาว่าปฏิจจสมุบาทก่อนนะ ในหน้าห้ปนะปฏิจจสมุบาทย่อหน้าล่างสุดปฏิจจสมุบาทนี้เป็นชื่อของปัจจัยธรรมปัจจยธรรมก็คือตัวปัจจัยนั่นแหละปฏิจจสมุบาทเป็นชื่อของปัจจัยเขามีอยู่สองคำนะปฏิจจสมุบาทกับปฏิจจสมุปปนะธรรมปฏิจจสมุบาทเป็นชื่อของปัจจัยปฏิจจสมุปปนะธรรมก็คือผลของปัจจัยปฏิจจสมุบาทคืออวิชชา ปฏิจจสมุปปณะธรรมคือสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยใช่ั้ยสังขารเป็นเป็นอวิชชาเป็นเหตุสังขารเป็นผลสังขารเป็นเหตุวิญญาณเป็นผลวิญญาณเป็นเหตุนามรูปเป็นผลนามรูปเป็นเหตุสลายตตนะเป็นผลเป็นต้นในสิ่งเดียวเนี่ยเช่นสังขารเป็นทั้งปัจจัยและเป็นปัจจยุปันเป็นทั้งปฏิจจสมุบาทและเป็นปฏิจจสมุปปณะธรรม สังขารเป็นปฏิจจสมุปปณะธรรมของอวิชชาเป็นปฏิจจสมุบาทของวิญญาณเนี่ยนะแต่ในรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาทจริงๆเนี่ยขามาว่าโอกาสต่อๆไปเราคงได้เรียนกันตรงนี้ก็พอเอามากล่าวพอสมควรก็พอนะถ้าเรียนละเอียดเลยก็เจดวันนี้ก็ไม่พอปฏิจจะอย่างเดียวเนี่ย ยกให้เจ็ดวันเลยอยว่าสีวันทีนี้ท่านมีคําถามแทรกเข้ามาว่าข้อนี้จะพึงรู้ได้อย่างไรรู้ได้เพราะพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะพระองค์ตรัสไว้ว่าอานนท์เพราะเหตุนั่นแหละทำนั่นแหลเป็นเหตุเป็นนิทานเป็นสมุทยัยเป็นปัจจัยแห่งชรามรณะคือชาติชรามรณะเกิดจากอะไรเกิดจากชาติ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 ซึ่งต้องอาศัยกันเป็นไปจึงชื่อว่าจึงเกิดสัมพันธ์กันโดยไม่เว้นปัจจัยชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิเสธปัจจัยไม่ได้อย่างชีวิตของเราที่ดำรงอยู่ในเนี่ยปฏิเสธปัจจัยได้ไหมไม่ได้เขาดำรงอยู่ด้วยปัดใ จ, จปัญคําว่าปฏิจจสมุปบาทได้แก่เหตุที่ประกอบด้วยความสามารถในการให้เกิดผลตัวเหตุที่ให้ผลเนี่ยเกิดขึ้น อย่างเช่นถ้าเรานั่งคำถามว่ารูปทั้งรูปที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยรูปนถ้าพูดย่อๆเรียบสลับเรียกตรงตามเป็นจริงรูปเหล่านี้เกิดจากวิญญาณเป็นปัจจัยนะรูปที่เป็นกรรมชรูปเกิดจากกรรมวิญญาณจิตชตรูปเกิดจากอันนัเกิดจากอะไรเกิดจากวิญญาณทั้งสี่นะทั้งกรรมวิญญาณวิปา ก, กวิญญาณเป็นต้นนะมาจากจิตติรูป วิญญาณเหล่านี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากสังขารสังขารเกิดจากอะไรก็เกิดจากอวิชชาแล้วนามรูปเหล่านี้เป็นตัดรูปเหล่านี้เป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยก็เกิดผัสสะเป็นต้นไอ้คําว่าปัจจัยนี่หมายถึงสิ่งที่สามารถมอบให้ผลเนี่ยเกิดขึ้นได้นะทำให้ผลเกิดขึ้นได้แล้วก็ผลเหล่านั้นปฏิเสธเหตุนั้นก็ไม่ได้ด้วยปฏิเสธเหตุไม่ได้เลย ปัจจัยชื่อว่าปฏิจจะเพราะเป็นที่ควรอาศัยเฉพาะของบัณฑิตหมายคขาว่าแสดงว่าคนที่จะรู้ปัจจัยได้ก็ต้องเป็นบัณฑิตชื่อว่าสมุบาทสมุ ป, ปาทะเนี่ยนะเพราะให้เกิดขึ้นโดยชอบหรือเกิดขึ้นด้วยตัวเองปฏิจจะนั้นด้วยสมุบาทนั้นด้วยชื่อว่าปฏิจจสมุบาทอันนี้ก็เป็นอะไรยอมเป็นอะไรเป็นสมารถอะไรทวันทวะสมาตหยถามคนที่เรียนบาลีหน่อย ปฏิจจสมุปบาทอันนี้เนี่เป็นอนุโลมมันในอนุโลมแปลว่าหมายถึงตัวปัจจัยการที่เป็นไปโดยลำดับเนี่ยนะถ้าเรียกว่าอนุโลมเพราะกระทากิจที่ตนควรกระทําอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอนุโลมเพราะท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดหรือเพราะอนุโลมไปไปตามความเป็นไป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 อวิชาใดเป็นปัจจัยแก่ผลคือสังขารใดอย่างเงี้ยนะเอกโดยความเป็นปัจจัยมีเหตุปัจจัยเป็นต้นอวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารด้วยเหตุปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําธรรมะทั้งหมดนั้นไว้ในพระไยโดยไม่วิปริตไม่ให้ลดลงโดยทรงพิจารณาหมดไม่ให้เหลือพิจารณาเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยนะไม่มีส่วนเหลือจริงๆเลย ทีนี้การแสดงปฏิจจสมุบาทเนี่ยแสดงสองอย่างแสดงแบบย่อกับแบบพิสดารเนี่ยนะย่อคืออะไรแสดงแบบย่อยก็คืออิติอมัสสมิงสติอิทังโหติอิติอิติมัสสุปาธาอีทางอุปัชติอันนี้แสดงแบบย่อมากเลยในย้อนไปท่านหน้านึ่งนะหน้าหนึ่งนับขึ้นบรรทัดที่สีนั่นแหละแสดงแบบย่อเนี่ยในหน้าหนึ่งบรรทัดที่สที่บอกว่ า, วา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 ส่วนในรายละเอียดเนี่ยนะก็เป็นการยกข้อความทั้งสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสูตรที่สมาแสดงแบบสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยเนี่ยนะเพราะผู้ที่เรียนหรืออ่านประสูตรที่หนึ่งสูตรที่2สูตรที่สมาเป็นอย่างดีะนะอ่านในหน้า 60-61 ก็นี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยนะแต่อยากจะกล่าวในหน้า6 1เลยนะย่อหน้าข้างล่างเขาถามว่าชื่อว่าอะ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 แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยังมีอาสะวะยังละสังโยชน์ไม่ได้เนี่ยแสดงว่ากุศลธรรมและอพยากตะธรรมเนี่ยนะไม่ได้ตัดไม่ยังไม่ได้ถูกถอนฉันทราคะโดยเด็ดขาดใช่ไหมไอความที่ยังไม่ได้ถอนฉันทราคะในกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเนี่ยแหละอั น, นสรุปว่าทั้งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ครั้งเนี่ยเรียกว่าอ น, นิโรธคือ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 ที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายกายนี้ของคนพานนั่งกันอยู่เนี่ยเนาะถูกอวิชาใดหุ้มห่อไว้เอา้าก็มีฟองนี่ห่อไว้นะฟองคืออวิชาห่อไว้หรือว่าลืมตาปั๊ติ้งเลยนี่ทุกเป็นต้นเ่ยนะเป็นอย่างนั้นหรือยังถ้าเป็นก็อนุมโมทนาด้วยนะขอโทษด้วยที่พูดมาัถถถ้ถ้ายังไม่ได้ถอนอะไรเลยก็กายนี้ของคนพานถูกอวิชาใดหุ้มห่อเอาไว้ อวิชชาห่อแล้วไม่พอนะตัญหายังสัมปยุทธ์ด้วยตันหาเนี่ยนะกระว่าอาวิชชาเนี่ยห่อไวนะ้ใช่ไหมประกอบด้วยคลาแล้วยังไม่พอยังชอบไปตัางหากนะันเ <c oughs> นี่ยนะอวิชชานั้นน่ะคนพานยังละไม่ได้และตัญหานั้นก็ยังไม่สิ้นไปทำไมยังเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ถอนอวิชชาทำไมไม่ละตัญหาซะ ขนั้นเพรหิรายดูกวามพิสูจน์ทางหลายเพราะคนพานไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ้นทุกขโดยชอบเพราะฉะนั้นคนพานย่อมเข้าถึงกายอื่นอีกเพราะกายแตกหมายค่ะว่ากายนี้แตกไปก็ถือเอากายใหม่อีกใช่ไหมคนพานนั้นเมื่อเข้าถึงกายหมายว่าถ้าเกิดอีกก็ไม่พ้นไปจากชาติชราและมรณะเนี่ยนะอันนี้คือลักษณะของคนพาลเนี่ยเป็นอย่างนั้น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 วิปัสนาเมื่อคนพานไม่ประพฤติสมถวิปัสนาเพื่อความสิ้นวัตทุทุกคนพานก็เลยพอทิ้งกายนี้ก็ถือเอากายใหม่ทิ้งกายนี้ด้วยอำนาจมรณะก็ถือเอากายใหม่ด้วยอำนาจชาติพอเกิดมาแล้วก็ชาาและมรณะเห็นไหมก็ถูกต้มอยู่หลายชาติด้วยกันใช่ไเอาถ้าเกิดเป็นไก่ก็ไปทอดหรือเอา่าเขาแบ่ง้วทอดกึ่งหนึ่งต้มกึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ไหม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 มือนกับโซเนี่ยนะโซ่ยาวๆเนี่ยนะถ้าตัดขาดสักเส้นเดียวแล้วหลุดหมดเลยใช่ไหมหลุดหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนทักขุนะก็เพราะดับด้วยการสํารอดภาษายตนาหกไม่เหลือภาษะจึงดับเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเป็นต้นอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าตั้งแต่บรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุอรหัตตมรรคจนถึงปรนิพาน อายตนะหกจะไม่เป็นไปก็หาไม่ได้แหมที่บอกว่าสำรคกภาษายตนะคือดับภาษายตนะหกไม่เหลือผ้าหันตาบอกเลยใช่ไหมหูหนวกเลยหรือเปล่าเอ้าแล้วทําไมบอกว่านี่ดับไม่มีส่วนเหลือท่านก็เลยบอกว่าอายตนะหกจะไม่เป็นไปก็หาไม่ได้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 เขาเท่ากับตัดชาติหน้านะแ ต, ต่ตรงๆตัดตัดได้ที่ไหนลนะ่ะชาติหน้ายังไม่เกิดไปดับมันทำไมเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นคำว่าโดยที่แท้ท่านกล่าวถึงนิโรธเพราะภาวะที่ไม่มีภาวะที่ควรกล่าวด้วยนิโรธสับภาวะที่สิ้นสังโยชน์เนี่ยนะก็อันนี้ก็ยกข้อความมาให้ดูนิดหน่อยนะพอไปได้ข้อมูล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 มาดูคำแรกเลยนะคำว่าอาวิชาก่อนเลยนะอวิชชาปจยาสังขาราคำว่าอาวิชานี่คืออะไรเนี่ยนะเริ่มรายละเอียดของปฏิจจสมุปบาททีละบทไปเลยคำว่าอาวิชานี่นะอวิชชาในหน้า65เลยนะชื่อว่าอาวิชชาเนี่ยเพราะประสบสิ่งที่ไม่ควรประสบมีกายยัุจริตเป็นต้นอบอกนิดหนึ่งว่าคำว่าอาวิชชาเนี่ยนะอวิชชาเนี่ย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 ชันใดวิชาคือแสงสว่างไงถ้าอาวิชาก็คือความมืดสนิทเลยศัตรูต่อวิชามันอาตัวนั้นเนี่ยแปลว่าเป็นปฏิปักษ์เช่นว่าอาโลภะนี่เป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะอโทสะนี่เป็นศัตรูตอร่อโทสะอาโมหะนี่เป็นศัตรูตอ่อโมหะอวิชานี่ก็เหมือนกันศัตรูตอ่อวิชาเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าอาวิชาอาวิชาในที่นี้เนี่ยนะไอสิ่งที่เป็นศัตรูตอ่อ วิชาตัวนี้มันทำให้ไปประสบสิ่งที่ไม่ควรประสบมีกายะทุจริตเป็นต้นจริงๆเนี่ยไม่ควรฆ่าใช่ไหมไม่ควรลักไม่ควรประพฤติผิดในกามแต่อวิชาบอกทาไปเลยไม่เป็นไรเนีย่ยนะฆ่าได้ฆ่าเลยปล้นได้ปล้นเลยรักได้รักเลยเป็นต้นเนี่ยนะมันก็เลยทำอย่างเงี้ยไม่น่าทำเลยใช่ไหมแต่ว่าทำไมต้องทำอะ่ะก็อวิชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะดูขาวหรือเปล่าขนข้าวขนของกัน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 อ้างเหตุผลเนี่ยเพราะเขาฆ่าพ่อผมเพราะเขาฆ่าญาติผมเพราะเขาเป็นศัตรูต่อผมถ้าผมไม่ฆ่าเขา <c oughs> เขาก็ต้องฆ่าผมสรุปแล้วผมต้องฆ่าเน <c oughs> ี่ยคืออวิชาและงานเขามันเป็นอย่างนี้แหละมันซ้อนให้มันอย่าว่า ม, มันไม่รู้เฉพาะเนี่ยอดีตอนาคตปัจจุบันไม่รู้อริยสัจที่เหลือมันรู้หมดนะว่ารู้ต้องฆ่าที่ไหนฆ่าเมื่ อ, อไรฆ่าอย่างไรฆ่ายัางไงโดยที่โอกาสรอดแทบไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันรู้หมดแหละไอ้แบบนี้ยรู้แต่ว่ารู้แบบเนี้ยจะเป็น ความรู้ที่เลวร้ายเนี่ยคืออวิชชาอาวิชชาเนี่ยไม่รู้เฉพาะอริยสัจนะที่เหลือมันรู้หมดนะรู้ว่าทำยังไงจะฆ่าได้มากมากฆ่าได้เยอะเยอะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นอวิชชาเนี่ยความดีเนี่ยน่าทำอวิชชาก็ไม่ให้ทำหรอกใช่หอย่างสมมติเราเห็นคนอื่นเขาผิดพลาดเนี่ยเรากาุูนาหรือโกรธทันทีเลยนโดยมากะนะนีย นนะเห็นเขาสมมติเห็นเขามาหยิบของของเราไปเนี่ยนะอวิชามันบอกโกรธเถอะของเราห่วงมากเอาของเราไปได้ยังไงใช่ไหมก็โดยมากมันเป็นอย่างนั้นอวิชามันจะสอนให้โกรธมันยังไม่สอนให้มีเมตตาหรอกเพราะนั้นอวิชาจะโกรธเธอมันน่าโกรธจริงๆนะอวิชาจะบอกอย่างนั้นอวิชาก็บอกว่าโอ้ oh, สวยสวยจริงๆต้องหาให้ได้ต้องมีต้องมังมนเสี้ยมสอนจนเชื่อหมดเ่ะ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 คบสกําเนิดสี่คติหวิญญาณทีฏิเจ็ดสัตตาวาสเก้าให้ไหลไปในสงสารอันเว้นจากที่สุดหมายคําว่าให้ไหลไปสืบอเนื่องอ น, นะทิ้งขันนี้ถือเอาขันใหม่ทิ้งชาตินี้ถือเอาชาติใหม่เนี่ยก็ไหลไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ให้จบด้วยนะมันวนอยู่นั่นแหละไม่รู้จบที่ไหนต่อไปอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอวิชชาเพราะเป็นปฏิปักษ์คือเป็นศัตรูต่อ วิชาอาวิชชานั้นทร า, าบว่าแบ่งเป็นสอย่างก็คือหนึ่งไม่รู้ในทุกทุกเหยื่อญานังคือไม่รู้ในทุกทุกขสมุทัยอญ า, านังไม่รู้ในทุกขสมุ ท, ทยัย น, นะไม่รู้ในทุกขนิโรธไม่รู้ในทุกขนิโรธค า, ามินีปฏิปทาคืออวิชชาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูต่อสัมมาทิฐิเนี่ยนะเป็นศัตรูต่อมัคคสัมมาทิฐิที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเป็นข่าศึกเป็นศัตรูกันโดยส่วนเดียว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 พันธบุตรปฏิเสธแม่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่บุตรก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่ก็เหมือนกับปัจจัยบุตรก็เหมือนกับผลที่เกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นอวิชชานี้เป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารคืออะไรสังขารคือสังขารแบ่งออกโลกิยะเจตนานะเจตนา29 เป็นปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสงังขารปุญญาพิสงพัสงข า, า, ารก็คือรูปมหากุศล8รูปปาวจรกุศล5้ปุญญาพิสังขารคืออากุศลเจตนา12อาเนนชาพิสังขารคืออรูปอรูอรประสันอรูปปชานเจตนาที่เป็นกุศล4ดวงเรียกว่าเจตนา29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 นันบุญใดก็ตามการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมะถะที่เป็นฌานเป็นต้นถ้าตั้งความปรารถนาเพื่อวัตตะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดเนี่ยนะปุญญาพิสังขา น, นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมว่าผิดขนาดไหนเพราะอะไรเพราะว่าผิดทั้งตอนที่ทำด้วยผลในภพต่อๆไปก็เป็นความเลวร้ายด้วยส่วนอเนญชาพิสังขารก็คือโนอนารูปฌาน ก็เนื่องจากว่าปราถนาจะไปเกิดที่นั่นเนี่ยนะต้องการจะเฝ้าวัตตะอยู่ร่ําไปอะ่ะกลุ่มนี้ยังอ า, าลาระดาบทอุตกะดาบที่เขาคิดว่านั่นคือดินแดนแห่งพระนิพพานเขาเรียกว่าไปจบที่นั่นทุกอย่างเนี่ยจบที่อรูปประพบใช่ไหมเขาก็อันนั้นแหละจึงเป็นมิจฉาปฏิปทาแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่เกิดในอรูปประพบไม่ได้ชื่อว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาอะไรนะเพราะว่าในที่สุดท่านก็ต้องปรินิพพานเนี่ยนะเพราะท่านรู้ข้อปฏิบัติ เพื่อแทงตลอดอริยสัจอยู่แล้วส่วนวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณคือรู้แจ้งวิญญาณมีอยู่32 3สองมีอะไรบ้างอหิโตกะวิญญาณสิบ้าเว้นอะไรเว้นวญญกิริยาสมมหาวิบาก8มหาคตาวิบากเกอันนี้หมายถึงโลกิยะวิญญาณวิบากสามิบชื่อว่านามเพราะอธิว่าน้อมไปหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยน้อมไปเพื่อรู้อารมณ์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 ใครจะรู้ว่าตามองเห็นเนี่ยเนะชื่อมเยื่อใยให้มีตาชาติใหม่เรียบร้อยแล้วเชื่อว่าภาษะเพราะอัตถะว่าถูกต้องก็คือกระทบนะชื่อว่าเวทนาเพราะเสวยอารมณ์ภาษะเขาบอกว่าแม้ทั้งสองนั้นสองนั้นคืออะไรคือภาษะและเวทนาเนี่ยว่าโดยทวารมี6ทวารว่าโดยวิบากมีทั้งสาม โดยทวารก็คือทวารหกใช่ไหมตามหูจมูกลิ้นกายใจโดยวิบากก็สามสิบหกก็ไล่ไปตามทวาร น, นั้นๆชื่อว่าตันหาท่านบอกว่าสะดุง้งเราชอบอะไรในใจปกติอยู่หรือเปล่าไม่หรอกมันเลยเขาเรียกว่าสะดุง้งอะปริตตัสสะเนี่ยนะสะดุ้งเลยมันตันหานี้โดยย่อมีสามมณฑลกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาพิสดารมากนั้นก็ร้อยแปดนั่นแหละ คำว่าสะดุ้งเนี่ยไม่ใช่ตัวสั่นไปหมดเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหมายคก็ว่าผิดปกติทางความคิดแล้วว่างนั้นน่ะบางทีคำว่าสะดุ้งก็คือวันไหวอ่ะนะอันเดียวกันเนี่ยวันไหวอะไรนะนในคาถาธรรมบทมีอยู่เรื่องหนึ่งบอกพอได้ยินแต่ชื่อปั๊บเนี่ยใจก็ผิดปกติแล้วไม่ต้องเห็นหน้าเห็นอะไรกันหรอกใช่ไหมได้ยินแต่ชื่อนี่ก็ผิดปกติแล้วลักษณะนั้นก็เลยเรียกว่าสะดุง้งชื่อว่าอุปาทานเพราะถือมั่น ยึดถือนั่นแหละอุปาทานมีสี่ก็คือกา ร, รมุปาทานเป็นต้นชื่อว่าพบเพราะอัตภาว่ามีอยู่และจักมีมีอยู่อนนี้หมายถึงบิบากจักมีก็หมายถึงกรรมนั่นแหละเพราะมีสองก็คือกรรมาพบกับอุปัติภพเนี่ยนะชาติคือความเกิดความเกิดชื่อว่าชาติความคล่าค่้าชื่อว่าชรามรณะเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ตายถ้าไม่มีมรณะคงไม่ตายหรอกเนาะแปลว่าอะไรมรณะกับตายต่างกันตรงไห น, น ชื่อว่าโศกะเพราะเศร้ากับโศกมันต่างกันยังไงก็คือทั้งอ่ะนะโศกโศกเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีเศร้าภาษาไทยก็เลยไม่รู้จะแปลยังไงโศกแปลว่าเศร้าโศกกัแล้วกันเศร้าด้วยโศกด้วยนะแสดงว่าบางคนบอกว่าเศร้านี่มันอย่างอ่อนครับวังเงินโศกมันอย่างแรงนะปริเทวะก็รมพันโบนโบนอยู่นั่นแหละทุกข์ก็เพราะอะไรทนยาก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 ความคับแค้นอันเหลือทนทนไม่ได้จริงๆเลยนะใจนี่มันแห้งสนิทเลยนะกรอบหมดเลยนะเป็นอุปายาตเนี่ยค้าชีวิตนี่ไรความหวังเลยนะสัมภวันติแปลว่าบางเกิดขึ้นสรุปก็ไอสัมภวันติท่านมุ่งอธิบายว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณไอสัมภวันติเนี่ยแปลว่าย่อมมีขึ้นนะนะ ทีนี้มาดูโดยอัฏฐะแต่ละบทแต่ละคำไปเลยนะว่าอาวิชชาคืออะไรอวิชชาเนี่ยลักษณะที่จตุกะ น, นมาเรียนลักษณะที่จตุกะของอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษ า, าเวทนาเป็นต้นอวิชชามีความไม่รู้เป็นลักษณะไม่รู้เลยใช่ไหมว่าคนนี้เขาชื่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าทางนี้เขาไปไหนอ่านหนังสือไม่ออกอย่างนี้หรือเปล่าเรียกว่าอาวิชชาไม่รู้อะไร ทุเคอญาณังคือไม่รู้อริยศาสตร์นั่นแหละเรียกว่าอาวิชชาไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเชื่อมโยงกันต่อไปอย่างไรนี่แหละเป็นลักษณะของอวิชชาเนี่ยนะอย่างสมมติถ้าเราลืมตาขึ้นเนี่ยนะจักขูจกัจกขูสมุทยัยจักขูนิโรจักขูนิโรธัค า, ามินีปฏิปทาก็ไม่รู้เลย อันนี้ก็อวิชชาอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าต้นเหตุที่ทําให้มีจักรุมาอย่างไงก็ไม่รู้เห็นแล้วสร้างจักรุต่อไปอย่างไงก็ไม่รู้ความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงต่อกันไปอย่างไงก็ไม่รู้อันนี้แหละบอดสนิทแรียกบอดตาใสมีตาหามีอะไรนะโหเก่งมากเลยเนาะรู้ได้สำนวนได้ตังเยอะแยะเลยนะระวังจะเข้าเนื้อนือ ต่อไปนะอวิชานี่มีความหลงเป็นกิจสัมโมหนะเนี่ยนะถ้าโดยสับแปลว่าลุ่มด้วยหลงด้วยนะลุ่มหลงเนี่ยเป็นยังไงครับว่ามันตกไปสู่ที่ต่ําแล้วมันเวียนไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยนะสัมโมหนะเนี่ยไอโมหะนี่โมหะแปลว่าแปลว่ า, งวางโง่อยู่แล้วนะแล้วสัมบอกว่าพร้อมด้วยความโง่เนี่ยนะมันว่ามันโง่เกาถือว่าหนักเลยแล้วใช่ไหมมันถึงกับเคลาไปเลยอะ่ะในลักษณะเนี่ยกิจของอวิชาล่ะทําให้เคลาไปเลย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 เขาประเทศอะไรเนะียประเทศรัสเซียเด็กปัญญาอ่อนอยู่แล้วใช่ไเด็กปัญญาอ่อนหูหนวกแล้วถูกไฟไหม้เนี่ยก็เกิดมาก็คือกลุ่มเด็กพิการทางสติปัญญาทางสมองทางอะไรเนี่ยก็ไปอยู่รวมๆกันนะไฟฟา้ามลัดวงจรไฟไหม้ทีนี้ไฟไหม้เนี่ยตายไปตั้งยี่สิบกว่าแล้วก็บาดเจ็บอีกเก้าสกว่าเนี่ยนะเสร็จแล้วหูหนวกด้วยมันต้องไปไล่ปลุกทีละคน กดกริ่งยังไงมันก็ไม่ได้ยินนะนะกดกริ่งเนี่ยจะบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้พวกนั้นเด็กหลับอยู่ใช่ไหมกดกริ่งเพื่อจะปลุกให้มันตื่นมันก็ไม่ตื่นน ห, หูมันเสียไปแล้วอ่ะก็ไปไล่ปลุกทีละคนนั้นตายไปตั้งเยอะแยะหนักขนาดไหนใช่ไหมพวกนี้แสดงว่าดื่มสุราด้วยมัวเมาด้วยแล้วก็ฆ่าด้วยนะะปทุสรายสัตว์ด้วยพรันเวลาอย่างในยุคนี้ตอนนี้ทั้งเมาด้วยทั้งตานาตีบาดด้วยไปต่างจังหวัดนี่หลายคนไปทําอะไรก็ไปกินเหล้าแล้วก็หาปลาอะไรทำอะไร นะก็เอาปลามาแกล้มเล่ากันั้นเวลาเนี่ยก็เลยตัวเองก็เกิดมาปัญญาอ่อนแล้วก็ถูกฆ่าต่อไปอีกถูกเผาโดยไม่มีเหตุผลนะดีแล้วที่โรงเรืองไม่ได้ไปทํานะั่งเรื่อง ม, มาฟังธรรมนะทำลำบากแม่อนาคตอวิชานี่มีอาสะวะเป็นเหตุใกล้นะอาสะวะอาสะวะก็ ค, คือความหมักห ม, มมด้วยอํนนานาจกามาสะวะภวาสะวะทิฐาสะวะและอวิชานั่นแหละเป็นปัดจัยยพันธสัมพันธ์ว่าความโลภ ความเห็นผิดตันหานี่แหละและอวิชชานี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชาอกุศลนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชามาดูสังขารสังขาร น, นี่มีลักษณะอย่างไรอภิสังขรณะเนี่ยนะอภิสังขรณะลักษณะปรุงแต่งงานของเขาก็คือแต่งพบแต่งชาติอย่างสมมตุตนะิอย่างขอมมาพูดทุกคำเนี่ยที่พูดๆูดอยู่เนี่ย ถ้าหากว่าไม่สําเร็จเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันตัดกิเลสไม่ได้เนี่ยคือคําพูดทุกคำนี่คือพูดสร้างชาติใหม่ทั้งหมดนะคำพูดเนี่ยสร้างชาติใหม่แต่ชาติเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะตามสมควรแก่เจตนาเนั้นทุกคําที่เราพูดคือการพูดเพื่อสร้างภพชาติใหม่นะที่เราทําทั้งหมดทําเพื่อภพชาติใหม่ที่เราคิดทั้งหมดก็คือคิดเพื่อสร้างภพชาติใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะของสังขารทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาป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 กรรมหรือเจตนาที่เกิดขึ้นเครียกว่าโอกาสตุปป น, นะมันเปิด อ, อกเวลามันเกิดขึ้นมันจัดแจงผลิตผลงานเต็มที่เลยแหละทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยท่านผู้ที่มีปัญหาผู้ที่มีวิชามีความรู้จึงรู้เลยว่าหนึ่งคำพูดที่พูดออกต่อไปนี่อะไรคือผลในอนาคตเป็นต้นเนี่ยนะยพระพุทธเ จ, จา้านี่ตอบได้หมดเลยว่าในหนึ่งคำพูดที่แววออกไปเนี่ยเจตนาตัวนั้นอ่ะเช่น ให้ผลดวงที่หนึ่งให้ผลเมื่อไหร่ดวงที่เจ็ให้ผลเมื่อไหร่สองถึงหให้ผลเมื่อไหร่แล้วให้ผลเป็นยังไงให้ผลนําเกิดหรือให้ผลไปอุปธรรมหรือไปเบียดเบียนหรือไปอุปค่าเป็นต้นนพระองค์บอกได้หมดเลยพยากรณ์ได้เป๊ะหมดเลยนะพันธงานของเขาคือจัดแจงจัดแจงพราะ์เวลคำพูดที่พูดหนึ่งคำนี่จัดแจงวัตถะเรียบร้อยแล้วนะถ้าไม่เห็นอริยสัจนี้ทําอะไรก็ทําไม่ได้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 ไม่ผลน่าเสียดายไหมโอ้ยทําบุญเท่าออพระอน์น่าเสียดายเนี่ยน่าจะเราสบวยผลบุญสะ ก, ก่อนองนี้ยรึป่าอ้าวสบวยผลบุญก็มานั่งแบบเราเนี่หลยเนี่ยกำลังสบวยผลบุญเนี่ยนะชาราทุกวันทุกวันนี่แหละสบวยผลบุญละต่อไปวิญญาณวิญญาณก็มีการรู้แจ้งเป็นลักษณะลักษณะของวิญญาณก็คือเช่นจากครูวิญญาณก็เห็นโสตวิญญาณก็ได้ยินคานาวิญญาณก็รู้กลิ่นก็คือรู้แจ้งอารมณ์ทั้งห วิญญาณนี้มีความเป็นหัวหน้าเป็นกิจมโนปุพังคมาธรรมามนโนเสรามนโนมายาอ่ะนะนตรงนี้บอกว่าปุพังคมะก็คือมีการเป็นหัวหน้าหัวหน้ารายหัวหน้าเจตสิกหัวหน้าจิตตะชรูปเนี่ย น, นะนา ว, ะวิญญาณนั้นมีการเป็นหัวหน้าจิตหัวหน้าเจตสิกหัวหน้าจิตตะชรูปมีปฏิสนธิเป็นอาการปรากฏก็เอา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 มาจากกรรมเพราะกรรมนี่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดจักรวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณเป็นต้นหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะวิญญาณเกิดขึ้นจะต้องมีวัตถุกับอารมณ์เป็นเหตุใกล้คืออาศัยตากับสีเกิดจักรวิญญาณอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณอาศัยจมูกกับกลิ่นเกิดคานวิญญาณอาศัยลิ้นกับรสเกิดเชิวหาวิญญาณอาศัยกายกับโพธภาเกิด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 รับความอบอุ่นใช่ไหมหรือน้าเนี่ยนะน้อมไปเพื่อเช่นร้อนๆเนี่ยอยากจะดื่มน้ําเย็นๆนี่เป็นยังไงมันน้อมไปเพื่อจะรู้ไอ้รสที่เอาน้อมไปเพื่อจะรับสัมผัสที่เย็นเช่นน้อมไปเพื่อที่จะรับรู้รสหวานเป็นต้นมันลักษณะของนา้าน้อมไปเพื่อรับรู้อารมณ์น่ยนะเพราะน้ํานี่แหละน้อมไปน้อมให้ตาเนี่ยชะเง้อดูให้มันเห็นชัดๆซิ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 รูปยังไงต้องสลายแนย่นอนหนาวก็ตายร้อนก็ตายไข้หวัดมาก็ตายอย่างเงี้ยแปลว่าตายแน่รูปเนี่ยอนารมณะเป็นกิตกิตของเขาไม่รู้อะไรสักอย่างะนะอนารอนารมณะไม่รับรู้อารมณ์ใดๆทั้งนั้นแหละถ้าหลับไปจิตไม่เกิดดูสิรูปเขาจะไปทำอะไรก็ได้หมดเลยใช่ไหมฟันรูปนี่อนารมณะไม่มีการรับรู้อะไรเลยเออแล้วก็ มีภาวะเป็นสัมปโยคะตัวนี้แปลแปลอีกในหนึ่งเลยนะว่าอัพยากะตาปะปัจจุปฐานแปลตามวิพังเลยอธิบายได้นะที่บอกว่ามีภาวะเป็นสัมปโยคะเป็นอาการปรากฏไม่รู้แปลว่าอะไรก็ไม่ทราบนะบาลีเขาบอกว่าอับปะเหยะภาวะก็แปลไม่ออกอีกแปลตามวิพังค์ดีกว่าง่ายดีบอกว่าอัพยากะตาปะปัจจุปถานนังคือ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 อาาบางอย่างเนี่ยอะไรนะานิทัศนาสัปติคาธรรมาอนิทัศนาสัปติคาธรรมะอนิทัศนาปฏิคาธรรมะเนี่ยอนิทัศนาอปติคาธรรมะหมายถาว่าบางอย่างนี่เห็นได้กระทบได้เช่นตากับสีทั้งเห็นทั้งกระทบนีบางอย่างเนี่ยเห็นไม่ได้แต่กระทบได้เช่นหูกับเสียงจมูกกับเปลนเล่นกับรถกายกับโพธาภาเนี่ยไม่เห็นอะแต่ว่ากระทบส่วนทางมโนทวารเนี่ยเห็นไม่ได้กระทบไม่ได้ อนนะัมาติกานะสันิทสนะสัพติกาธรรมาอนิทัสนาสัพติคาธรรมาอานิทัสนะปฏิคาธรรมม า, า, น า, น า, า, มมาเนี่ยก็มีอยู่สามบทในในติกะมาติการสมข้อสุดท้าย <c oughs> คงเคยได้ยินบ้างแล้วในงานศพนี่ต่อไปมีภาวะเป็นวัตถุและทวารเป็นอาการปรากฏเพราะอายตนะบางอย่างเป็นวัตถุเช่นตาเนี่ยนะตาเนี่ย จักวายตนะเนี่ยเป็นวัตถุของจกักรวิญญาณเป็นทวารของจกักรทวารวิถีจิตหูเนี่ยเป็นวัตถุของโสตวิญญาณเป็นทวารของโสตถวีเออโสตวิถีจิตจมูกเป็นวัตถุของคานวิญญาณเป็นทวารของคานวิถีจิตเลนเป็นวัตถุของเฉีวหาวิญญาณเป็นทวารของเฉีวหาวิถีจิตกายเป็น เป็นวัตถุของกายวิญญาณเป็นทวารของกายทวารวิถีจิตส่วนภวังนี่เป็นเป็นทวารอย่างเดียวไม่ได้เป็นวัตถุภวังนะผวังขจิตนี่เป็นทวารแต่ไม่ใช่เป็นวัตไม่ได้เป็นวัตถุเพราะไม่ได้เป็นที่เกิดส่วนอายตนะเหล่านี้มีนามมีรูปเป็นเหตุใกล้อายตนะคือสีนี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาภูตารูปอายตนะคือสีเสียงกลิ่นรสนะนะพวกนี้มีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้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 ทวารตาเช่นความประจวบของตาสีจักขูวิญญาณเป็นผัสสะความประจวบของหูเสียงโสตวิญญาณเป็นผัสสะความประจวบของจมูกกลิ่นขานะวิญญาณเป็นผัสสะความประจวบของลิ้นรสชิวหาวิญญาณเรียกผัสสะความประจวบกายโพธาภะกายยะวิญญาณเรียกผัสสะความประจวบของมโนธรรมะมโนวิญญาณเรียกผัสสะมันผัสสะนี่มีการประจวบการเป็นอาการปรากฏเนี่ยประจวบทรสามประการเนี่ยนะประจวบทำสามประการ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 รับประทานก็ได้เคี้ยวกินด้วเสวยเนี่ยนะแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกป้าจรนายแปลว่าอะไรเสวยรับประทานถ้าเ้าระว่าอะไรนะรู้สึกนะรู้สึกนั่นแหละมีการบริโภครถแห่งอารมณ์เป็นกิจนั่นเองบริโภคไปแล้วจะไหมก็ขบฉันอีกนั่นแหละก็ก็จริงนะเช่นว่าถ้ารับอารมณ์ที่เป็นทุกข์แหะ หมาว่ารับถ้ารับอารมณ์ที่เลวซามก็บริโภคความทุกไปถ้ารับอารมณ์ที่ดีก็บริโภคความสุขไปถ้ารับอารมณ์ธรรมดาทั่วไปก็เฉยไปเนี่ยนะพันก็เลยเรียกว่าบริโภคก็ได้บริโภครสชาติแห่งอารมณ์เนี่ยนะเช่นว่าถ้าหากว่าเอาความร้อนมาสัมผัสกับผิวกายนี่บริโภคความทุกขไปเลยใช่ไหมถ้าเอาอารมณ์ที่ดีๆโพธิภที่พอเหมาะนี่ก็บริโภคความสุขไป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 ่มันแสดงอาการออกมาให้เห็นมีภาษาเป็นเหตุใกล้ถ้าไม่เห็นจะเสียใจหรือบางภาพบางอย่างความเสียใจบางอย่างนะถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเสียใจหรือบางอย่างถ้าไม่ได้ยินจกเสียใจหรือเพราะภาษาแท้ๆเลยนะเพราะกระทบมาทวานนะนั้นอย่างบางเรื่องเนี่ยะถ้าไม่คิดมันจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์นะเก็บมาคิดทําไมอย่างเงี้ยนะคิดจนไม่สบายใจก็ไม่บางทีคิดไปคิดมานั่งยิ้มแป้อยู่คนเดียวก็ภาษาทาง ภาษาทางมโนทวาร น, นั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสุขและความทุกข์ตัณหาเลยนะตัณหามีความเป็นเหตุเป็นลักษณะตัณหาในเหตุอะไรตัณหาในเหตุแห่งวัตตะนั่นแหละลักษณะของเขาก็คือต้นตอของวัตตะนะกิจของเขาคือเพลินอย่างเดียวนะเพลิดเพลินนันที่อ่นะเพลินมีความสุขอนะ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 เพราะอะไรนะเพราะเพลินนั่นแหละจึงยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็เพราะความเพลิดเพลินเนี่ยเพราะเพลินในสิ่งใดก็จะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราใช่ไหมแต่ถ้าอะไรให้ความทุกข์ขึ้นมาอยากพูดไหมว่าเป็นของเราไม่คิดถหาแพรรับบาปซะหน่อยนะครับ